เพราะว่าพระสูตรนี้มีความสำคัญทำให้เห็นว่าการเจริญกุศลมีหลายวิธีการด้วยกันนี น, นะหรืออุบายละบาปละกุศลมีหลายอย่างด้วยกันไม่ใช่ใช้อาวุธเดียวฟังกันเถอะถ้าการทำงานไม่ได้ใช้เครื่องมือชิ้นเดียวการเจริญกุศลธรรมก็เหมือนกันไม่ได้ใช้ธรรมะคำเดียวเราคิดดูนะว่า เจตสิกที่เป็นโสภณะเจตสิกเนี่ยนะหรือกุศลจิตเนี่ยนะเกิดขึ้นเขามีธรรมะเกิดร่วมด้วยเกิน50าสิว่ากันถ้าสํานวนอัตตกถ า, าสํานวนพระไตรปิฎกอัตตกะถ า, าใช้คําว่ากุศลธรรมเกิน50าสิกุศลธรรมเกิน50นั้นมีความสําคัญมากแต่ละอย่างแต่ละอย่างภาษะก็สําคัญเวทนาก็สําคัญสัญญาก็สําคัญเจตนาเอกคตาชีวิตดินซีมนสิการ มีตกวิจารณทิโมกวิริยะปีติฉันทะที่อยู่กับกุศลธรรมอันแต่ละอย่างก็มีความสําคัญมากศรัทธาวิริยะสติหิริโอตตปาอโลพะอโทสะตตรรมัชตตาเจตสิกเหล่านี้ที่เกิดร่วมกับกุศลธรรมแต่ละตัวมีความสําคัญหมดเลยปัสสัทธินะกายปัสสัทธิจิตปัสสัทธิกายะละหุตาจิตะละหูตากายมุทุตาจิตมุทุตากายกรรมัญญาตาจิตกรมมัญญตา พวกนี้ก็เป็นกุศลธรรมที่มีความสําคัญหมดเลยวีรตีเจตสิกสามอ ป, ปมัญญาเจตสิกสองหรือปัญญินสีเจตสิกเนี่ยนะในเจตสิกทั้งหมดเลยนะเวน้นอะกุศลเจตสิกสิบสี่ดวงเจตสิกที่เหลือเนี่ยเป็นกุศลที่พระองค์ทรงยกย่องหมดเลยขอให้เกิดร่วมกับโสพนธาธรรมแล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นสัญญาเจตสิกเนี่ยนะพระองค์ยกสัญญามาสแสดงโดยนิยตต่างๆอีกมากมาย เวทนาเจตสิกก็ยกมาแสดงเยอะนะยกมาให้ความสําคัญว่าเวทนาบางอย่างควรเจริญบางอย่างควรละยกตัวอย่างสุขเวทนาที่อาศัยอมิตรเนี่ยนะไม่ควรเจริญสุขเวทนาที่อาศัยเนคขมะควรเจริญเนี่ยนะอันนี้ก็มีกล่าวไว้ดังนั้นจะเห็นว่ามนานสิการเจตสิกก็เหมือนกันโยนิโสมนานสิการอโยนิโสมนานสิการนี่เน้นมนานสิการเจตสิกเนี่ยนะ สัญญาเจตสิกก็เน้นเวทนาเจตสิกก็เน้นตัวจิตก็เน้นนะตัวจิตที่เป็นประธานในดวงนั้นก็เน้นนะไปเป็นอธิบดีบ้างจิตไปเป็นอธิบดีบ้างเป็นอินทรีย์บ้างเนี่ยนะเป็นทั้งปฏิปทาเนะชื่อมหาเนื้อหาให้เห็นต่างร้าอย่างด้วยกันวิริยะเจตสิกก็เน้นมากนะวิตติกะเจตสิกก็เน้นวิจารณเจตสิกนี้พบน้อยหน่อยแต่ก็มโนปวิจารสิบก็กล่าวอยู่เหมือนกัน นะมนโนปวิจารสิบเจตนาเจตสิกเน้นมากเลยนะกรรมดำําอย่างกรรมดํามีวิบากเป็นวิบากดำใช่ไหมกรรมเขามีวิบากเขากรรมทั้งดําทั้งเขาให้วิบากทั้งดําทั้งเขาวกรรมไม่ดําไม่เขาเป็นไปเพื่อสิน้นกรรมเจตนาเจตสิกก้นเน้นเนี่ยนะเอกคตาเจตสิกก้อนเน้นอันนะอะะอ น, น, น, นี้เน้นมากพิเศษเลยนะเพราะเจตสิกแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเน้นหมดเลย ทีนี้ถ้าหากว่าเราศึกษาพระธรรมไม่ดีเราก็จะเน้นเจตสิกดวงใดดวงหนึ่งจนเกินไปเมื่อเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งความสมดุลของกุศลธรรมก็เกิดไม่บริบูรณ์เนี่ยนะไม่เพียงพอเพราะว่าต้นไม้ต้นหนึ่งก็ใช้ปุ๋ยทั้งหลายอย่างใช่ไหมปุ๋ยทั้งหลายอย่างนะเพื่อที่จะให้ต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยเจริญเติบโตอยู่ได้ความคิดหนึ่งความคิดของเราก็เหมือนกันเนี่ยในตัวความคิดเนี่ยมีเจตสิกประกอบด้วย ในเจตสิกแต่ละตัวแต่ละตัวก็มีอาหารมีปัจจัย <c oughs> นะมีอาหารมีปัจจัยยกตัวอย่างว่าที่ท่านมาเน้นก็คืออย่างเน้น 5, องงินทรีย์ห้ายังไงใช่ไหมเน้นศรัทธาเน้นวิริยะเน้นสติเน้นสมาธิเน้นปัญญาในเจตสิกห้าดวงในในจิตดวงหนึ่งที่เป็นมหากุศลแล้วพระองค์ก็แสดงว่าเออสติก็มีอาหารนะวิริยะก็มีอาหารศรัทธาก็มีอาหารสมาธิก็มีอาหาร ปัญญาก็มีอาหารแต่และอย่างมีอาหารหมดเลยมีปัจจัยหมดเลยเพราะฉะนั้นเจตสิกแต่ละตัวแต่ละตัวในนั้นจะต้องได้รับการบำรุงเนี่ยนะรับการบำรุง พ, พ่อคูณทําให้มีขึ้นอันนี้เรียกว่าการเจริญกุศลธรรมเป็นภาเวตาปธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญควรพอกคูนควรทําให้มากแต่ก็ในขณะเดียวกันก็ขอให้รู้เถอะว่ า, ากุศลธรรมเหล่านี้ก็ยังเป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานอยู่เนี่ยนะ ก็ยังเป็นอารมณ์ของอุปาทานอยู่เพราะฉะนั้นกุศลธรรมเหล่านี้จึงเป็นทุกขสัตว์ถ้าเขาได้ปัจจัยเขาก็เกิดหมดปัจจัยคือหมดโยนิสโสมณสิการเป็นต้นกุศลธรรมเหล่านั้นจะอันตรธานทัน ท, ทีเลยเนี่ยนะกุศลธรรมเหล่านั้นก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นอุบายในการเจริญกุศลนี้จึงมีมากมายมหาศารที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสเอาไว้เพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกทั้งหมดก็คืออุบายในการเจริญกุศลนั่นเอง ทีนี้ในขณะที่เจริญกุศลแต่และอย่างแต่และอย่างเกิดขึ้นเมื่อเจริญกุศลหนึ่งอย่างเท่ากับละอ ก, กุศลอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างถ้าหากว่าเจริญกุศลประเภทศรถถัทธาก็เท่ากับละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเจริญกุศลประเภทวิริยะเท่ากับละความเกียรคร้านเจริญกุศลตัวสติก็เน้นความไม่ประมาทนะเจริญกุศลคือสัมมาสมาธิก็ละความฟุ้งซ่าน เจริญกุศลสัญญาก็ละอกุศลสัญญาเจริญกุศลวิตตกก็ละอกุศลวิตตกนะเจริญมนสิการที่เป็นโยนิโสก็ละอโยนิโสเพราแต่ละตัวแต่ละตัวนะนนถ้าเจริญหิเรโอตปะก็ละอหิริกะละอโนตปะเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเจริญอโลกสัญญาเนี่ยนะใสใจในแสงสว่างเป็นต้นเนี่ยนะไอ้ตัวมนสิการเหล่านั้นเนี่ยก็ละทีนามิทะเข้าไปเนี่ยนะเจริญอธิโมกก็ละอะไรละวิจิกิจชา ลา ว, วิจิตริชาเพราะแต่และอย่างแต่และอย่าง ม, มีมีฝ่ายตรงข้ามหมดเลยซึ่งกุศลธรรมเหล่านั้นพระองค์ทรงยกย่องหมดเล ย, ยกุศลธรรมเหล่านั้นมีในพระองค์อย่างบริบูรณ์มีอย่างในบริบูรณ์เพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมนั้นไม่ควรที่จะเน้นเจตสิกดวงใดดวงหนึ่งจนเกินไปนักเพราะเรารู้ไหมว่าเราอินทรีย์ของเราเนี่ยในเจตสิกทั้งหมดเนี่ยที่เป็นโสพณะธรรมเนี่ยนะเกิดขึ้นทั้งภาษะที่เป็นโสภณะเนี่ยนะ เรารู้ไหมว่าเจตสิกดวงใดเราขาดดวงใดเราขาดการบำรุงเราไม่รู้เมื่อไม่รู้ทำยังไงอะ่ะก็ฟังคำสอนให้ทั่วๆไปก็เมื่อฟังคำสอนทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะจะเห็นเลยว่าอ่านพระไตรปิฎกหนึ่งเล่มนะสมมติหนึ่งเล่มมีหนึ่งร้อยสูตรเนี่ยนะไม่มีใครชอบเหมือนกันหรอกใหม่ๆดูเหมือนกันนะเข้าใจสูตรไหนมากบอกสูตรนั้นดีที่สุดเลยตอนที่เริ่มเข้าใจ แต่พออ่านหนักๆเข้าเอสูตรที่เราชอบจริงๆกลับไม่ใช่สูตรนะั้นไปเป็นสูตรอื่นเนี่ยนะเป็นระยะๆะะด้วยเป็นช่วงๆด้วยช่วงนี้เราชอบศรัทธามากเลยสูตรนี้นะไปที่ไหนนึกถึงสูตรนี้เมื่อไร่โหนั่งยิ้มสบายใจมากมีความสุขไปตอนหลังไม่ได้แล้วนึกถึงเมื่อไหร่ก็อุเบกขาเลยเฉยๆเหมือนั้นถามว่ากุศลนไหมเป็นแต่ก็เฉยๆแต่ไปนึกอีกสูตรหนึ่งโหยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขอย่าง อย่างสบายมากเลยโอ้ธรรมะนี้ลึกซึ้งจริงเนาะเมื่อก่อนเอ๊ะทําไมสูตรนี้ไม่ลึกซึ้งดังั้นจะเห็นว่าเจตสิกที่เป็นโสภณธรรมเนี่ยนะมันอยู่เป็นช่วงๆถ้าหากว่าคนที่สังเกตร่างกายของเราเหมือนกันเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยนะบางช่วงเราจะชอบเปรี้ยวเป็นพิเศษเลยบางช่วงจะชอบเค็มมากบางช่วงจะชอบขมบางช่วงจะ น, นะนะจะชอบเผ็ดเนี่ยนะไม่เหมือนกันนะแต่ละช่วงแต่ละช่วงถ้าเราสังเกตบางช่วงเนี่ยต้องการความหวานมาก นะถ้าเราถาราสังเกตร่างกายนะจะเป็นในะลักษณะนั้นบางช่วงเนี่ยเจอน้ําตาลเมื่อไหรน่นี่ร้องเลย <c oughs> มันร่างกายมันรับไม่ได้แล้วน่ะฉั้นสุขภาพเราก็ในะลักษณะนั้นขณะร่างกายเนี่ยนะอวิณิพค ร, รูปแท้ๆเลยนะยังต้องได้รับปัจจัยบํารุงเลี้ยงดูตั้งมากมายนี่นะแล้วโสพนธธรรมเนี่ยนะที่จริงรูปเนี่ยน้อยมากนะเมื่อเทียบกับเจตสิกเจตสิกนี่เยอะเนละ เมื่อเจตสิกเยอะเนี่ยถ้าหากว่ากระบวนการในการบำรุงเลี้ยงดูไม่เพียงพออย่างไรเราก็ไม่เจริญเติบโตทีนี้ถ้าหากว่าไม่เจริญเติบโตเนี่ยนะถ้ายกจิตขึ้นระดับรูปประภูมิอรูปประภูมิเป็นต้นไม่ได้นะโลกุตระภูมิไม่ใช่เป็นของง่ายเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเป็นจิตที่ค่อนข้างหมกมุ่นอยู่กับกับกามเมื่อแรงดึงดูดของโลกมันสูงมากเหมือนกันแแรงดึงดูดของสีเนี่ยมากจริงๆริงถ้าเรานึกถึง สุภาณนิมิตเนี่ยนะคือถ้ามองเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าสุภาพนิมิตเนี่ยนะมันไม่ได้ชอบเรื่องนี้เฉยเฉยหรอกมันวางแผนในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นที่พระองค์ทรงอธิบายเรื่องของตันหาใช่ไหมตันหาความกระสิบความพอใจความเพลิดเพลิพลนความมุ่งหวั ง, ค ว, งความต้องการความทะเยอทยานความปรารถนาเนี่ยนะเหมือนเพื่อนนนะ พระ อ, องค์แสดงอธิบายในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเลยในอารมณ์เดียวนะพระ อ, องค์แสดงอาการของจิตที่ไปถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะในอารมณ์นั้นอย่างกว้างขวางเนี่ยนะอย่างกว้างขวางแล้วก็เป็นลักษณะนั้นจริงๆดังั้นการเจริญกุศลธรรมนั้นเราจึงมาพระ อ, องค์จึงแยกแยะให้เห็นว่าในกระบวนการละบาปละอกุศลเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่อย่างนะเนี่ยนะในสัพพาสวะสังวรสูตรนี้แสดงไว้เจ็ดนัยยะด้วยกัน เนี่ยนะที่เป็นอุบายในการละบาปละอกุศลนะดูในหน้าหน้า 18, นะข้อที่16ในสัพพาสวะสังวรสูตรเนี่ยนะทำให้เห็นว่าเออการละบาปละอกุศลนี่มีวิธีการละหลายอย่างนะนะในข้อ16กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยทัศนะก็มีเนี่ยนะ อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการส okay. ังบอลก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการใช้สอยก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการ <leich> อดกลั้นก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเว้นก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการบรรเทาก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเจริญก็มี อุบายในการละบาปละอกุศลนี้มีตั้งหลายอย่างใช่ไหมมีหลายวิธี <c oughs> ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ธรรมชาติอย่างหนึ่งของจิตที่เรื่องของการคิดนึกนี่นะครับถ้าเราจะไปบอกว่าความคิดนึกเป็นเรื่องของวิตกอย่างเดียวนี่ก็ไม่ถูกเพราะตัวปัญญาก็คิด ตัววิตกก็คิดตัววิจารณ์ก็คิดมนานสิการก็คิดผมดูดูแล้วเนี่ยจะไปยกให้ตัวใดตัวหนึ่งแล้วไปบอกว่านี่คือเป็นเรื่องของคิดคือวิตกอย่างเดียวนี่ถ้าจะไม่รู้สึกว่าเจตสิกหลายตัวนะครับที่เป็นลักษณะที่เรื่องการคิดนึกนี่การมาทำทั้งหมดมีลักษณะอย่างไรคือเป็นลักษณะที่รั่วอารมณ์น้อมไปรัวรร่วอารมณ์ใช้คําว่านามใช่ไหมนามคือน้อมไหมน้อมไปเพื่อที่จะรู้อารมณ์ เพราะฉะนั้นเจตสิกแต่ละตัวเนี่ยก็คือลักษณะน้อมหมดเลยนะทั้งจิตทั้งเจตสิกเนี่ยน้อมไปไปรู้แต่ก็เราเร า, เราถ้าเราศึกษาธรรมะดีๆแล้วจะรู้ว่าในจิตตุปาทะการเกิดขึ้นของจิตไม่ได้มีเจตสิกดวงเดียวอนนะถ้าหากว่าผู้ใดอบรมวิตติ ก, กะเจตสิกมากวิต ก, กะก็ทํางานเยอะะถ้าใครอบรมสัญญาเจตสิกมากสัญญาเจตสิกก็จะทํางานมากคือแล้วแต่การสนับสนุนส่งเสริม แต่แต่พระผู้มีพระภาคทรงเสริมทุกเยตสิกเลยขอให้เป็นกุศลเอ่อเทาที่ไปอ่านใน <c oughs> ปฏิสัมพิทานะครับท่านท่านอธิบายการทำงานในเรื่องการเจริญ่ษษิพพสนาท่านบอกว่าปัญญานเนี่ยต้องมีต้องมีสังกัปปะเนี่ยเป็นเพื่อนท่านว่ากันนะูนสังกัปปะ <c oughs> เป็นผู้ที่ยก จิตขึ้นสู่อารมณ์แล้วแเล่าเล่าเปรียบเหมือนกับว่าเราถือกะหาปัะพลิกไปพลิกมาแล้วก็ตัวปัญญาเขาจะเป็นเครื่องอรู้ถ้าจะอาศัยตัวปัญญาหรือว่าอาศัยตาไปพลิกกหาปัญะย่อมเป็นไปไม่ได้ท่นานอธิบายอย่างนั้นใช่ไหมฮะใชะแต่ตัววิตกทําหน้าที่ตึกแล้วตึกเล่าพลิกไปพลิกมาแล้วตัวปัญญาก็จะไปตรวจตัวรู้เนี่ยใช่ค่ะใช่แสดงว่าการคิดนึกเนี่ยต้องมีเจตสิกหลายตัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะ ในการวิตกกะเจตสิกอันนั้นเนี่ยนะถ้ากามะการเออไม่ใช่ตัวสัญญาเจตสิกไม่ไ ม, ไม่ไม่มีคุณภาพเนี่ยนะวิตากาะเจตสิกก็ทํางานไม่ได้สัญญาก็คืออุปนิสัยเดิมเนี่ยนะพื้นฐานอุปนิสัยในอารมณ์นั้นเนี่ยยกตัวอย่างนะในการพิจารณาสียกตัวนะในสีที่เรากำลังเห็นนะถ้าหากว่าเราจำคำสอนอะไรไม่ได้เลยนะเอาอะไรมาตึกเอาอะไรมาวิตกใช่หม ถ้าจำคาสอนได้เยอะนะเราสามารถเอามาเอามาตรึกนะเอาเรื่องอะไรมาตรึกก็ได้ในพระวินัยก็ได้พระสูตรก็ได้พระพิธรรมก็ได้พระสูตรเนี่ยนะสามสิสี่สูตรทีคณิกายเอาสูตรที่หนึ่งมาไล่มาตามสูตรนั้นๆก็ได้ถ้าพื้นฐานจําแม่นเนี่ยนะลักษณะของตัญหาอย่างหนึ่งคือยึดติดในอารมณ์เนี่ยนะเข้าไปยินดีเพลิดเพลินในอารมณ์นะการที่เราจําคําสอนได้เหมือนกับเอาไม้อันหนึ่งมาแงะ หรือเอาเอ า, เอาพวกเสลวพวกอะไรนมัมางมาแ ง, ง ม, ง, ง, ม ง, งัดออกอ่ะนั้นคำสอนก็เหมือนกันน่ยคำสอนเวลาเราสมมติวาเราชอบใจในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะแล้วเรานึกถึงคำสอนได้เราจะรู้ว่าไอความชอบอันนั้นไม่มากนักอารมณ์นั้นจะไม่เป็นอารมณนาที่ปฏิ ป, ฏ ป, ปัจจัยเลยกั น, นี้นะสมมติว่ายกตัวอย่างอ่ะสมมติเออชอบน้ำแก้วนี้มากจริงๆเลย เสร็จแล้วนะลองตรึกคําสอนมาใส่สักสิบสูตรเนี่ยนะในในเรื่องน้ำเนี่ยนึกถึงธรรมะสักสิสูตรเนี่ยนะน้ํานี้จะเป็นอารามณปัจจัยเฉยๆแล้วไม่เป็นอารามนาที่ปฏิปัจจัยไม่เอาก็ได้เนี่ยนะเพราะว่ามันแงออกไปแล้วเพราะฉะั้นผู้ที่มีสัญญาเจตสิกมากเนี่ยนะสัญญาที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติวิตกะเจตสิกก็จะทําหน้าที่พลิกในอารมณ์นั้นอย่างดีเลย ที่ผู้การกล่าวเมื่อกี้เนี่ยยกถึงข้อความที่กล่าวถึงการสงเคราะห์อริยมรรคมีองค์แปดลงในขันสามคือปัญญาขันไม่ใช่ศีลขันสมาธิขันและปัญญาขันแต่ขันสามสงเคราะห์ลงอริยมรรคไม่ได้เนี่ยนะที่กล่าวว่าอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เนี่ยสงเคราะห์ลงขันสามก็คือปัญญากับวิสัมมาทิฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็น เป็นอะไรขันเป็นปัญญาขันสมาวาจาสมากัมมันตะสมาอาชีวะเป็นศีลขันสมมาวายมะสมาสติสมมาสมาธิเป็นสมาธิขันแล้วท่านก็อธิบายว่าสมมาทิฐินี้เป็นปัญญาขันโดยชาติชาติของเขาเป็นตัวปัญญาตรงๆเลยแต่สมมาสังกัปปะเป็นปัญญาโดยกิริยาเนี่ยนะ ปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นโดยชาติของเข้าเลยชาติชาติปัญญาเลยนะโดยสภาวะของเขานี่คือความรู้เป็นปัญญาตรงๆแต่สัมมาสังกัปปะเป็นกิริยาเพราะไปเกื้อกูลต่อสัมมาทิฏฐิถ้าสัมมาสังกัปปะไม่ทำงานสัมมาทิฏฐิก็เกิดยากแล้วส่วนสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะเนี่ยเป็นเป็นศีลโดยชาติเลย ส่วนสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะสัมมาสมาธิเป็นสมาธิขันโดยชาติส่วนสัมมาวายามะกับสัมมาสติเป็นสมาธิโดยกิริยาท่านก็อุปมาเหมือนกับการที่คนสามคนเนี่ยนะไปเที่ยว ง, งานมหรสศพเที่ยวนักษัตเนี่ยอีกคนหนึ่งก็บอกเห็นดอกจำปาเข้านะงามมากก็อยากจะทัดทรงนะเอามา เอื้อมมือไปจับเอื้อมไม่ถึงอะทำไงเพื่อนอีกคนหนึ่งบอกเพื่อนมายืนบนหลังผมก็แล้วกันแล้วก็ก้มหลังให้เหยียบทีนี้ขณะที่เหยียบเนี่ยมันสั่นใช่ไห ม, มแล้วก็อีกคนหนึ่งไม่เป็นได้จับบาผมก็แล้วกันแล้วก็เอาบ่าไปให้จับแล้วก็เด็ดดอกจําปามาทัดทรงไปเที่ยวงานมหรสพได้ น, นะซัมมา ส, สมาธิเนี่ยนะเป็นสมาธิโดยกิริยโดยโด ย, โดยชาติของเขา แต่เขาจะตั้งมั่นไม่ได้หรือจะเก็บดอกไม้มาทัดไม่ได้ถ้าไม่มีสัมมาวายามะกับสัมมาสติมาเกื้อกูลแก่เขาโดยกิริยาเพราะฉะนั้นสติที่ตั้งมั่นในอารมณ์แล้วแล้วเล่าเล่าสมาธิก็จะสงบเนี่ยนะนะแต่ว่าจะสงบพื้นฐานเนี่ยนะสัมมาวายามะต้องดันตลอดนะถ้าดันไม่เพียงพอเนี่ยไปไม่ได้เนี่ยนะก็บอกว่าสัมมาวายามะก็เหมือนกับกองทัพที่ที่ได้รับการส่งเสริมอยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวทับหน้าแตกนะถ้าทับหลังไม่ส่งสเสบียงเรียกว่าไม่ส่งกองกําลังมาช่วยเต็มที่เนี่ยนะอกองหนุนเนี่ยนะเพราะว่าสมาวายมาะนี่ก็คือเหมือนกับกองหนุนน่ยตัววิริยะก็จะเป็นลักษณะนั้นทั้งกุศลธรรมเนี่ยนะพระ อ, องค์ทรงยกย่องหมดเลยในนั้นอย่าไปบอกว่าโอ้นั่นเป็นสัญญาเจตสิกนั่นเป็นวิตกะเจตสิกถ้าคนที่อ่านพระสูตรเยอะๆเนี่ยจะรู้ว่าพระ อ, องค์เชียร์ทุกทเจตสิกเลยในกุศลธรรม ถ้าเราปฏิเสธกุศลเจตสิกดวงใดดวงหนึ่งในนั้นนะขอมาเชื่อเหลือกเกินว่านั่นคือความเห็นที่ขัดแย้งกับคําสอนเพราะอะไรเพราะว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าหากว่าเธอจะคิดอย่าไปคิดเรื่องอะไรเรื่องโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกอย่างนั้นอย่างนี้บอกไปคิดเรื่องนี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธาคา ม, มินีปฏิปทาหรือยกวิตตก บอกอเธออ ย, อย่าไปเป็นกา ร, รวิตกนะอย่าไปเป็นพยาบาทวิตกอย่าไปเป็นวิหิงสาวิตกเพราะนั่นไม่ใช่เบื้องต้นของพรหมจรรย์อะไรหรอกนี่ควรนี้วิตกวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอย่างสูตรที่จะกล่าวต่อไปก็คือเรื่องของมนสิการโยนิโสมนุษยการกับอโยนิโสมนสิการอันถ้าหากว่าเราปฏิเสธกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในนั้นเนี่ยนะอันนี้ก็ก็ ของมานี่กลัวเลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรากล่าวขัดแย้งกับพระผู้มีพระภาคมีไหมที่จะงอกเงยในคำสอนของท่านที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับสติภิษุแล้วพระองค์ก็ตรัสกับอริ ธ, ธาพิษุิเนี่ยนะว่าผู้ที่มีความเห็นขัดแย้งกับพระองค์แล้วเนี่ยจะเจริญ ง, งอกงามในธรรมวินัยของพระองค์เนี่ยเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะว่ า, ข, าข้อคาสอนอันนั้นก็ของพระผู้มีพระภาคใช่ไหม อันนี้ก็ของพระผู้มีพระภาคเสด็จแล้วเราจะเอาแต่อันนี้อันนั้นไม่เอาอะตรงนี้ก็นะชวนะดวงที่หนึ่งนะมีผลหมดแหละสรุปเจ็ดวงมีผลหมดเลยของใครกับของใครคิดเอานะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นขอ ง, ของตนน่ะแต่คนอื่นเข้ามาด้วยบุญของเขาเนาะแต่เราเนี่ยจะไปด้วยกรรมของเรานะแล้ววันนี้ไปเดินเดินนึกนึกถึงสมัยก่อนเนี่ยนะพูดถึงมีอยู่ครั้งหนึ่งทํางานอยู่อะ ขนาดทำงานเหน็ดเหนื่อยนะันยังไม่พอจะกินเลยยังนึกๆ ก, กันนะนึกถึงชีวิตเนอะเรานี่มันไม่ธรรมดานะทํากรรมมาเลยไม่ไม่ได้ทํามาน้อยๆอยเลยนะว่าทํางานนัง่งสมมุติว่าเข้าแปดโมงเช้านะออกสองทุม่มถ้าเข้าสองทุ่มเนี่ยออกแปดโมงเชานะ้าอย่างเงี้ยขนาดนั้นเนี่ยกินข้าวยังไม่ค่อยจะอิ่มเลยก็เอาเอาไปกินอย่างอื่นหมด <c oughs> ทีนี้กํลาลังนึกนะผมมันเหนื่อยขนาดนั้ น, มนไม่ได้มีสาระอะไรเลยทําให้มันเพลิ น, พล น, พลนไปอะไรไป แสดงว่าเราทำเหตุมาไม่ได้ดีนักหรอกเพราะมันมทำไมจึงเหนื่อยขนาดนั้นนะทำอย่างนี้นานแล้วกเออ็เราทำเหตุมาไม่ค่อยดีนักนะทีนี้ครั้งนี้เนี่ยถ้าหักประมาทอีกประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกละเห็นมะมันจะต้องเรียบๆรีหน่อยนะ เ, ออเมื่อเมื่อครั้งก่อนเรากล่าวถึงเรื่องของของอะไรโยนิโสนะกล่าวถึงลักษณะของโยนิโสในข้อที่ห้านะ ว่าที่พระองค์ตรัสว่าพิสูจนทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะของพิสูจผู้รู้ผู้เห็นเราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้ไม่รู้ไม่เห็นเรากล่าวความสิ้นอาสวะของพิสูจผู้รู้ผู้เห็นถามว่าเห็นอะไรคือผู้รู้ผู้เห็นโยนิโสมนัสิการและอโยนิโสมนสิการเนี่ยนะถามว่ารู้รู้อะไรรู้โยนิโสมนสิการเห็นอะไรเห็นอโยนิโสมนัสิการว่างั้น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 ถ้าหากว่าอัตถกถาตรงนี้นี่อธิบายดีมากเลยนะถ้าเราได้รับฟังคําอธิบายอัตถกถาตรงนี้นะเราจะเท่ากับว่าฟังอัตถกถาอีกหลายแห่งซึ่งจะอธิบายแนวเดียวกันหมดเลยนะเรื่องของโยนิโสมนัิการอโยนิโสนี่เรื่องของโยนิโสนิโสนี่นะในปฐมเสขะสูตรคุถกานิกายอิติวุตกะเนี่ยนะกล่าวไว้เหมือนกับมัชฌิมนิกายเลยเหมือนกันลอกกันมาว่า ง, งั้นเถอะนะ่นนะ แบบฟอร์มเนี่ยเหมือนการต่างกันนิดนิดหน่อยๆเท่านั้นเองทีนี้คำว่าโยนิโสมนัสิการคืออย่างไรเห็นนะข้างล่างก็ให้เชิงอัดคร่าวๆใช่ไหมหมายถึงการทำในใจโดยถูกอุบายกล่าวคือการนึกการน้อมนึกการผูกใจการไยใจนะใครถนัดสับไหนก็เอาไปเถอะ หรือการทำไว้ในใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาหรือโดยสัจจานุโลมมิจยานก็คือยานที่อนุโลมต่อสัจจะคือความจริงความจริงในที่นี้หมายถึงอริยสัจนะวิปัสสนาญาณ น, นั่นแหละอนุโลมต่ออริยสัจเนี่ยนะ ส่วนอโยนิโสมนัสการก็คือการทำไว้ในใจโดยอุบายไม่ถูกทางกล่าวคือการทำไว้ในใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาหรือการนึกการน้อมนึกการผูกใจการไฝ่ใจการทำไว้ในใจเนี่ยถึงความคิดโดยนัยที่กลับกันกับสัจธรรมเนี่ยนะ คิดความคิดที่ไม่ตรงกับอริยศัสตร์อะไรเลยนั่นแหละเรียกว่าอโยนิสมนสิการคุณทารินีชอบคำไหนคุณหมอชอบคำไหนผมชอบคำว่าอัตตสมาปนิธิแ่ไม่มีในที่นี้นะครับนยคือโยนิสมนสิการก็อัตตสมมาปนิธินีค่คือความหมายเดียวกันนยโยนิสมนสิการเนี่ยที่บอกว่ากล่าว กระทาไว้ในใจโดยอุบายโดยถูกทางกล่าวคือการนึกชอบคำไหนครับน้อมนึกผูกใจใฟใจการทำไว้ในใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงมาเที่ยงเนี่ย ม, ม, มีมีสองคำคำเนี่ยใครชอบคำไหนครับเอาผูกใจดีกว่านะผู ก, กอะไรถูกอะไรนะผูกใจผู้เอาผูกใจการผูกใจ แรียว่าเอาใจไปผูกไว้ตรงนั้นเสร็จแล้วปัญญาก็จะได้ทํากิจเสถียงนี่นะก็คือการนึกการน้อมนึกไว้ในใจโดยถูกอุบายนะต้นอย่าลืมนัไม่ใช่คําเฉพาะน้อมนึกอย่างเดียวนะน้อมนึกอย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถามว่านึกนึกอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะก็คือนึกตามวิปัสสนานั่นเองเนี่ยนะคือสมมุติถ้าเราจิตเอาจิตของเราเนี่ยนะ ไปผูกกับสีอย่างเงี้ยไปใส่ตรงสีเนี่ยนะเสร็จแล้วทํำยังไงต่อไปสมมุติยกตัวอย่างมีสีเป็นอารมณ์เลยนะเอาสีของเล็บเนี่ยทุกคนมีเล็บเนี่ยเอาสีของเล็บเป็นอารมณ์เนี่ยเสร็จแล้วอย่างไรชื่อว่ามีโยนิโสเอาใหม่ก่อนโยนิโสมีอะไรเป็นอาหารโยนิโสมีอะไรเป็นอาหารมีศรัทธาเป็นอาหารศรัทธามีอะไรเป็นอาหารการฟังธรรมการฟังธรรมมีอะไรเป็นอาหาร คบสัตบุรุษการคบสัตว์บุรุษที่บริบูรณ์ทําให้เกิดการฟังธรรมที่บริบูรณ์การฟังพระสัพธรรมที่บริบูรณ์ย่อมทําให้ศรัทธาบริบูรณ์เมื่อศรัทธาบริบูรณ์ก็จะทําให้โยนิโสมนัสการบริบูรณ์แสดงว่าฟังเรื่องเล็บมาเป็นอย่างดีแล้วฟังมาว่ายังไงฟังไปยังไงนะโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยโอกาสโดยบริเฉษเป็นต้นเนี่ยนะฟังมาเป็นอย่างดี นี่โดยถ้าเป็นสมถะนะถ้าเป็นวิปัสนาล่ะฟังมาว่าในเล็บเนี่ยมีรูปอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วในรูปนี้มีกี่สมุทฐานอยู่ในเล็บแล้วเป็นวัตถุของจิตดวงใดนแล้วเล็บนี่เป็นอารมณะปัจจัยของจิตอะไรบ้างใช่ั้มสิ่งเหล่านี้เนี่ยชาติทุกข์อยู่ที่ไหนชราทุกข์อะไร มรณะทุกข์ก็อยู่ที่นั่นหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายย่อมมีแก่พิกษุผู้รู้อยู่เพื่อยังโยนิโสมนสิการให้เกิดขึ้นว่า ง, งั้นเถอะรู้ยังไงรู้แล้วสามารถทําโยนิโสอันนี้ให้เกิดขึ้นได้และแก่พิกษุผู้เห็นอยู่โดยประการที่อโยนิโสมนัสิการจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะคำว่าผู้รู้อยู่เนี่ยผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยนะ อาคำว่ารู้เนี่ยนะชาณาโตผู้เห็นก็ปัสสโตเนี่ยรู้เห็นได้บาลีใบสองคำแล้วชาณาโตปัสสโต ว, ว่าไ ง, งาแต่ถ้าของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่จะใช่อะไรนะชาณตาปั ส, สตารหตาสัมมาสัมพุทเทนะอย่างไงชาณะชานะตัวนี้ชอช้างนะไม่ใช่ชอกระเชาถ้าชอกระเชาแปลว่าเพ่งถ้าชอช้างเนี่ยแปลว่ารู้นนนเนี่ยนะชานะเนกัดชาณ ออกเสียงไม่ค่อยจะถึกเลยทีนี้ข้อความในอัตถกถาท่านตั้งคำถามว่าถามว่าด้วยคำว่าโยนิโสพิกเวจนถึงปะียันตินั้นท่านกล่าวอธิบายไว้ยอย่างไรตอบว่าท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าเพราะอาสวะทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ใส่ใจโดยไม่แยบใครเมื่อภิกษุใส่ใจโดย แยบคายเธอย่อมละอาสะวะทั้งหลายได้เนี่ยนะย่อมละทั้งกามาสะวะภวาสะวะและทิฏฐ ส, ะ ว, ะะสะวะเนี่ยนะอาสวะเนี่ยนับเป็นหนึ่งก็ได้ใช่ไหมนับเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหและเป็นเจ็ดก็ได้นะเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงเข้าใจว่าความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายย่อมมีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่เพื่อยังโยนิโสมนสัสการให้เกิดขึ้น และแก่พิสูจนผู้เห็นอยู่โดยประการที่อโยนิสโสมนัิการจะไม่เกิดขึ้นดังที่ภารนามาชนีในข้อนี้มีการพิจารณาโดยสังเขตเพียงเท่านี้ก่อนส่วนเนื้อความโดยพิสานมีดังต่อไปนี้นะพระสูตทั้งสิ้นข้างหน้าคือเนื้อความใ น, ในพระสูตนี้ทั้งหมดนะมีความเกี่ยวเนื่องกันกับด้วยบทสองบทคือโยนิสโสกับอโยนิสโสถก่อน เนี่ยนะ น, ะ, น, ะ, นะอาสวะที่ละได้ด้วยการเห็นเป็นต้นไปเนี่ยนะถ้าไม่รู้เรื่องโยนิโสอยโยนิโส ซ, ซะแล้วเนี่ยก็ก็ยาก<ม>แล้วนะตอนหลังๆต่อไปเนี่ยก็จะยากลวเพราะฉะนั้นคำว่าโยนิโสกับอโยนิโสในเบื้องต้นนั้นมีความสำคัญมากแล้วท่านอธิบายว่าความจริงพระสูตรทั้งหมดข้างหน้าคือในเนื้อหาในพระสูตเนี่ยนะท่านกล่าวไว้ด้วยอำนาจวัตตะและเววัตะ คำว่าวัตะเป็นชื่อของอะไรวตตเนี่ยนะวตตได้กี่สัจจะได้สองสัจจะนะเนทืทุกทุกสัจกับสมุทยัยสัจวิวัตตาได้สัจจะสองคื อ, อนิโรธ ก, กับมัคสัจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงวัตตาปั๊บนึกถึงสัจจะสองคือทุกกับสมุทยัยถ้าหากว่าวิวัตะก็นึกถึงสัจจะสองคือนิโรธกับมัค เก่งแล้วนะจะไ ด, ะได้ท่านบอกว่าก็วัตตะมีการไม่ใส่ใจโดยแยบคายเป็นมูลรากเนนะวัตตะทั้งหมดนี้มีอโยนิสโสเป็นรากเง่าส่วนวิวัตตะมีการใส่ใจโดยแยบคายเป็นมูลรากเนี่ยนะแล้วแต่รา ก, ก น, นะถ้ารากดีอย่างลึกก็ไปได้ดีวังั้นถ้ารากไม่ดีก็แย่และถามว่าเป็นอย่างไรเลย งงอธิบายว่าการสายใจโดยไม่แยบขายเมื่อเจริญขึ้นย่อมทำให้ธรรมะสองอย่างคืออวิชชาและภวะตันหาบริบูรณ์นะถ้าใครมีอโยนิโสบ่อยๆนะถ้าโลภะเกิดบ่อยๆแสดงว่านั่นแหละอโยนิโสเป็นปัจจัยอวิชชาเกิดบ่อยๆขึ้นเนี่ยนะเขาบอกว่าอริยสั์ยิ่งมืดไปเรื่อยๆ เ, เ, เนี่ยแสดงว่าอโยนิโสเกิดมากขึ้น แต่ถ้าหากว่าน้อมนึกไปโอ้โหอริยสัจนี่เห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนี่ก็แสดงว่าโยนิโสเลยละ่ะเนี่ยเอาไว้ตรวจสอบด้วยนะว่าเอเราเจริญกุศลแล้วเป็นยังไงนะถ้าบอกว่าเข้าใจเรื่องอริยสัจเพิ่มเติมมากขึ้นมากขึ้นก็แสดงว่าใช่ได้ก็เมื่ออวิชชาสังขารทั้งหลายจึงเกิดเนี่ยนะอวิชชาปัจญยาสังขาราสังขารทั้งหลายมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย อวิชามีสังขารมีเป็นปัจจัยแก่วิญญาณจนถึงนามรูปสลายตนะภาษาเวทนาตันหาอุปาทานพบชาติชรามรณะโสกะาปริเทวะทุกขโทมณัสและอุปา ย, ยาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขังมวลนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เห็นไถ้าหากว่าเราไปเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะ เห็นสีก็ได้ฟังเสียงก็ได้หนึ่งเสียงขึ้นมาเลยนะจำสูตรนี้มาใส่ก็ได้ว่าตั้งแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้เรื่องเสียงนั้นเป็นอย่างดีเลยนะถ้าไม่ได้รับการวิจัยเนี่ยปล่อยให้อวิชาเป็นต้นเกิดหรื อ, อปล่อยให้ตันหาเกิดขึ้นโดยที่มีเสียงนั้นเป็นอารมณ์เนี่ยนะแล้วเอาสูตรนี้มาจับเนี่ยนะอ่ะหูใช่ไหมเป็นสลายยตนะเสียงก็เป็นสลายยตนะโสตวิญ ญ, ญาณก็เกิดเป็นภาษาภาษาก็ต่อให้เกิด เวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตันหาเนี่ยได้ฟังหนึ่งเสียงวิจัยแล้วจะทํำยังไงดีใช่ไหมเสียงบางเสียงเนี่ยก่อให้เกิดกายกรรมเกิดวจีกรรมและมโนกรรมต่อไปเนี่ยนะทั้งตันหาอุปาทานก็เกิดขึ้นเจตนาก็เกิดขึ้นทํากิจของเขาละกรรมก็เกิดขึ้นเมื่อกรรมเกิดขึ้นกรรมอนั้นเรียกว่าพบพบเป็นปัจจัยแก่ชาติชาติเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะโศกะปริศนะถ้าชรามรณะนะั่นนะ ก็บอกว่าเบื้องหลังของความแก่และความตายคือไรโสกาเปรเทวะทุกโทมานัตและอุปายาตประทับใจตรงคําว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อนนนไอความคิดอันนั้นของเราหนึ่งความคิดนั้นๆเมื่อได้ฟังเสียงนั่นแหละกองทุกข์ทั้งหมดรอเราอยู่ละก็เหมือนกับกองทุกข์ที่กําลังเป็นอยู่แบบนี้ตอนนี้ก็เพราะเพลิดเพลินมาในอดีตนั่นแหละจึงมาทุกข์อยู่ตอนนี้นะถ้าเพลินใหม่อีก ทุกข้างหน้าปัญหามันจะทุกกว่านี้ตะทุกขนาดนี้ก็ค่อยยังชั่วนหน่อยนะ<ท>พอทนได้เหลือไปอยู่สภาพข้างหน้าก็ทนได้อีกก็บอกทําไมคนตาบอดแขนขาขาขาดเขาจึงทนไดไ้เห็นเขาทุกอะไรเลยนะทนได้หมดนะสัตว์เนี่ยะเห็นวันนี้เห็นมดเห็นหมดเนี่ยเดินงุงบงๆงตัวกระตีบวิ่งหาอาหารไม่พอจะกินเลยโอมีน้ำอยู่ตรงไหนรีบไปเลยนะกินน้ําตัวนี้เดียวเนี่ยนะทําเขื่อนกั้นน้ําก็ไม่ได้ฝนตกมาเนี่ย พาไลไปนะก็บอกว่าน้ำขึ้นปลากินมดนะก็ถูกปลาเขาเมือบอีกแสังสารวัตรนี่นก็ไม่สนุกเท่าไรเนะโดยมากคนได้รับความทุกข์แล้วมักจะลืมง่ายๆที่จริงนี่แหละเพราะาาลืมครับอวิชชาเป็นอย่างนี้แหละผมเคยผ่าตัดที่เขานะตีเทนิดแล้วแล้วเอ็นขาดแล้วผ่าตัดโอโ้โหตอนที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันเจ็บมัน ปวดมันบอกไม่ถูกเลยอ่ะมันดิ้นมันสั่นเหมือนกับปลาเลยนะขายมันไม่ให้กะดุกระดิกไม่พลิกไปพลิกมาด้วยนะแลไอ้ความที่อยู่นิ่งเนี่ยมันทรมาร์ตแปลกครับมันสั่นมันเจ็บมันปวดเช่นแล้วเดี๋ยวนี้ลืมครับตอนนั้นเราเนี่ในนรกนี่เนี่ยเรานึกในใจนี่นรกชัดๆเลยนะนะตอนที่ลืมครับพระองค์ตรัสว่าอวิชชาเนี่ยนะลักษณะของอวิชชาคืออะไรย่อม ได้สิ่งที่ไม่ควรได้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้เท่านะั้นนะก็คือที่จริงในสิ่งนั้นเป็นสัจจะใช่ไหมน่าได้นะน่าจะได้ความรู้ว่านั้นเกิดขึ้นอาศัยประสบะการณ์อนั้นนะแต่ก็ไม่ได้หรอกไปได้ตรงกันข้ามหมดนั่นแหละนะลักษณะของอวิชชามีอโยนิโสเป็นเป็นปัจจัยนี่ยนะกนะ็แสดงว่าศรัทธาเป็นต้นไม่บริบูรณ์นั่นเองศรั <laughs> ทธาไม่บริบูรณ์ ัทธาไม่บริบูรณ์ก็มาจากฟังธรรมมาไม่บริบูรณ์่นั้นนะฟังธรรมไม่บริบูรณ์เพราะอะไรนะไม่ได้ครบศัสตร์บุรุษมาบริบูรณ์ทาไมจึงไม่ได้ครบศัตร์บุรุษเพราะอัปติรูปรเทศวาสะนะเพราะไม่ได้อยู่ในบ้านเมืองที่สมควรแก่การฟังธรรมอะไรถามว่าทำไมต้องไปเกิดอยู่แถวนั้นด้วยอ่ะของใครกับของใครนะไม่มีปุเพกะตะปุญญาตานะปุเพกะตะปุญญาตาไม่มี ถามว่าปเุเพกตะปุญญาตาทําไมไม่ทําอย่างนั้นไว้อะแสดงว่าชาติที่แล้วไม่ได้ตั้งจิตอะไรไว้ชอบอะไรหรอกตั้งจิตไว้ผิดด้วยนะสัตบุรุษนะฮะยอดของสัตบุรุษนี่ก็คือคำพีร์ชุบๆไหมครับคือตอนนี้นะสายนี้น ะ, ะแล้วท่านคิดดูนะฮะผมอายุเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยคัมภีรเพิ่งแปลแปล ก, ก็กระพร่องกระแพร่งนะฮะแล้วไม่มีอัตถกถานะครับ จนกระทั่งอายุจนกระทั่งอายุสามสิบกว่านีะ่เกือบสี่สิบจึงมีอัตกาฐานะครับ <s> เพราะฉะนั้นท่านที่มีอายุน้อยๆดูลานี่นี่นะฮะมีพร้อมนะฮะมีพร้อมเลยทั้งบาลีนะทั้งอัตกาฐาแล้ว ด, ดีกาก็แปลแล้วแล้วท่านจะเฉยอยู่อย่างทำไมครับ <_ s> เวลาไม่ค่อยพร้อม อวิชามันทําให้ได้สิ่งที่ไม่ควรได้นะนี่ใหม่ๆเนี่ยนะโอยอย่างงั้นอย่างงี้เอาเหตุผลหมดเลยนะแต่ถ้าไปอ่านได้ระยะหนึ่งแล้วนะจะรู้ว่านี่ทําไมเมื่อก่อนเราไม่อ่านแ <c oughs> อบเสียใจยในภายหลังอันนะแต่ก็ยังว่านะเขาบอกว่าต้นไม้ไม่ได้ออกลูกออกดอกออกผลทุกต้นหรอก <c oughs> อย่าหวังอะไรนะัก <c oughs> นะถ้าหากว่าวัตตะเนี่ยนะ มีอายุนิสโสมนัสิการเป็นมูลงงนลังการแทะเพราะว่าอายนิสโสมนสิการทําให้อวิชากับตันหาเกิดขึ้นนะถ้ า, าวิชาเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยนะที่สุดของอวิชาคืออะไรกองทุกข์ทั้งมวลที่สุดของตันหาก็เหมือนกันเนี่ยนะตันหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานเนานะอุปาทานก็เป็นปัจจัยแก่ภพ เพราะเป็นปัจจัยแก่ชาติถามาตัณหาเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการตามเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆมากๆเนี่ยนะการที่เราตามเพลิดเพลินในอารมณ์แต่ละอารมณ์เนี่ยนะก็เหมือนกับต้นไม้อะที่ได้รับการบำรุงเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเลยนะการที่เราตามไปเพลิดเพลินในแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์ ท, ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะนั่นแหละคือมูลแห่งวัตฏะทั้งหมดของเรา ส่วนการที่ไม่ตามเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นนันแหละนั่นแหละคือเป็นการเริ่มถอนวัตะก็ได้ยินนะบอกว่าสัพพะโลเกอนภิรตะสัญญานี้ให้เจริญนะสัญญานี้พระพุทธเจ้าให้เจริญนะคือตามเพลิดเพลินในความไม่น่ายินดีของโลกั้างมวงในโลกไม่มีอะไรน่ายินดีนะใหม่ใมันก็มันยินดีอะแต่ก็ต้องฟื้นฟื้นหน่อยนะทำเป็นไม่ยินดีก่อน จะเลินมากๆนะครับไอ้ไปเที่ยวทัศนาจรต่างประเทศนี่เพราะว่าไม่มีสัญญาณนี้ใช่ไหมเจนพานใช่หมสัพพะโลกเก อ, อนานักพิรตาสัญญานี่ใช่ไหมครับออมันเรื่องนี้จริงๆนะครับเจนพานเป็นเห็นเป็นสิ่งที่น่ารื่นรมน่าดูน่าชมของแปลกของใหม่ของที่ไม่เคยเห็นเนี่ยเสียเงินเสียทองนี่มหาศาลเลย ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ตาเพื่อให้จักคูวิญญาณได้เกิดขึ้นรับสีบางอย่างนนะสัพโลกเกไปแล้วบางทีขาเกกลับมาเลยครับพิการกลับมาเลย <c oughs> นี่ก็อายนิโซนั่นแหละเป็นมูลฉะนั้นบุคคลผู้มากไปด้วยการใส่ใจโดยไม่แยบคายเนี่ยนะคือใส่ใจแล้ววิปลาสเกิดขึ้นใส่ใจตรงกันข้ามกับสัจจะ ใส่ใจตรงกันข้ามกับอริยสัจเนี่ยนะย่อมเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในกําเนิดขติทิติและสัตวะยูร่าไปเนี่ยนะก็ถามว่าขณะที่อะโยนิโศเกิดขึ้นเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดอยู่เฉยเฉยยกตัวอย่างนะเมื่อตามองเห็นสีเนี่ยไม่ปรุงเป็นกายกรรมมีไหมเจอหน้ากันก็ต้องทักทายกันหน่อยใช่ไหมจับมือถือแขนต่ออย่างอื่นเนี่ย เนะจอกันก็คุยกันอีกแล้วมโนกรรมก็เป็นไปเนี่ยกรรมสามก็บริบูรณ์เพราะสีเป็นอารมณะปัจจัยก็ทำกรรมอยู่ตลอดเม <ME> ื่อทำกรรมอยู่ตลอดถ้าหากว่าคนที่พื้นฐานความรู้น้อยหน่อยก็กรรมประเภทกรรมมาวจรทีนี้กรรมมาวจรก็เป็นทั้งฝ่ายดีและไม่ดีถ้ามีความสามารถกว่านั้นก็สามารถทากรรมที่เป็นรูปาวจร คนที่มีความสามารถสูงกว่านั้นอีกเพื่อทำกรรมประเภทอะรูปาวจรแต่ก็พื้นฐานเหล่านี้ก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยไม่ได้อย่างถึงสัจจะจริงๆที่คิดดูนะการเจริญกุศ ล, ลธรรมเนี่ยนะเป็นของยากนะโอ้โหยินดีนะแล้วเราต้องพิเศษมากก็เรายินดีผลของกุศลเชื่อไหมว่าความทุกข์ที่เรากำลังรับอยู่เนี่ยเศษส่วนหนึ่งก็เป็นผลของกุศลนั่นแหละยกตัวอย่างนะผิวพรรณเนี่ย เออนี่ก็เป็นผลของกุศลนะแต่พอน้ํามาเฉี่ยวเข้ามันก็เฉี่ยวอะไรก็เฉี่ยวผลของกุศลนั่นแหละพอผลกุศลก็ถูกเฉียวเข้าเจ็บเลยนั่นแหละงนั้นผลของกุศลเนี่ยนะก็ชาติชราพยาธิมรณะนั่นแหละคือสิ่งที่ติดตามผลของบุญนั่นเออก็สนใจครับโยนิโสมนัสิการผมว่าเชื่อว่าท่านที่อยู่ในที่นี้หลายท่านทีเดียวอยากจะให้ท่านอธิบายชัดๆเรื่องโยนิโสสักสักสักอย่างดีครับเอาชัดๆเลยว่าโยนิโสมยังไงครับ จึงจะโยนิโสเป็นค่อยๆฟังต่อไปฟังต่อไปงั้นนะครับคือไม่ได้ว่าไปนานอะไรเราะก็วันนี้แหละก็บอกว่าผู้ที่ยังใส่ใจโดยอโยนิโสมนัสิกานมากๆเนี่ยนะก็จะเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพภพเท่าไรภพสามนะกําเนศเท่าไรกําเนศสี่คติห้าวิญญาณทิติ เจ็ดและสัตวาว่าก้าวกวนเวียนเปลี่ยนกันไปเปรียบเหมือนเรือซึ่งถูกแรงลมพัดทำให้โคลงและเปรียบเหมือนฝูงโคซึ่งตกลงไปในแม่น้ำไหลวนเหมือนโคผรลริพั์ที่เขาเทียมรถไว้ฉะนั้นเทียมรถก็คขายังชั่วอาจจะไปเรื่อยธรรมดานะแต่ว่ามันขนทัาสัมภาระติดตามไปอีกแต่ถ้าหากว่าใครเคยเห็นโคที่เขาเทียมยนเพื่อหยบอ้อยนะ นั่นแถ้าเทียมยนต์หีบอ้อยเรวเป็นไง<ม>เดินวนอยู่ที่เดิม น, นั่นแหละ<ม>วนรอบนั่นแหละมาได้ไปไหนก็เข้ารอบนี้อ่านตรงนี้แล้วไม่เข้าใจเพราเทียมยนต์เอ๊ะ ย, ยังไงนะอ๋ อ, อ, อยนตมาเพราะเครื่องเครื่องจักรทั้งหลายใช่ไหมที่ใช้สัตว์ใช้สัตว์ด้วยอแล้วก็อย่างนั้นด้วยหรือเทียมแบบอินเดียก็ได้เนี่ยนะคนอินเดียเนี่ยนะพอมองถึงใช้คําว่าวัวกับเกวียนเนี่ยเขาจะนึกออกเพราะคนอินเดียจริงๆริงเขาไม่ชอบฆ่าสัตว์ก็จริง แต่เขาเบียดเบียนสัต์ส่วนหนึ่งนะเขาใช้แรงงานวัวเนี่ยนะอย่างไม่มีการุณาเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอุปมากับวัวเนี่ยเขาจะนึกภาพออกนนะเพราะว่าวัวเนี่ยบางบางทีเนี่ยถูกไถเนี่ยแต่ถูกเรียกว่าเทียมเกวียนเนี่ยนะทั้งวันทั้งคืนก็มีเดินทางรอนแรมเนี่ยนะหลายๆ10กิโลเมตรเนี่ยซึ่งผ่านในทุ่งยญาไม่มีหญ้าเลยนะทะเลทรายอะไรเงี้ยนะแล้วก็ มันไม่ได้เดินตัวเปล่าแต่ข้าวของที่ขนอยู่ข้างหลังเนี่ยนะมันหนักขนาดไหนน้ำจะกินก็ลำบากใช่ไหมตัวก็ใหญ่หญ้าที่จะไปกินก็น้อยมากแล้วก็ตากแดดร้อนอยู่ทั้งวันนั่นแหละเพันวัตตาที่เราไปเนี่ยเป็นลักษณะนั้นนะของเราเนี่ยหนักจนลืมอะเรารู้สึกหนักหนักมากถ้าคนที่เคยเจริญกุศลธรรมและกุศลจิตเกิดมากเนี่ยนะ จะรู้ว่าชีวิตที่เรากำลังเป็นอยู่เนี่ยหนักจริงๆอย่างคนไข้ที่มันปวดมาตลอดเลยนะมันความร้อนมันเกิดขึ้นในตัวมากๆอยู่หลายสิบปีเนี่ยนะนึกว่าตัวเองเนี่ยปกติพอไข้มันลดลดลดลดลดสบายไประดับหนึ่งโอ้เมื่อก่อนนี้เราไข่ตลอดเลยของเราก็เลยมันปว่วยนะอากุศลมันเกิดมากถ้าหากว่ากุศลจิตเกิดมากมแล้วจริงจะรู้สึกสบายเนี่ยนะบางทีทีนี้ ถ้าอากุศลมันเกิดมากๆก็ดูเหมือนกับไม่ได้ทุกร้อนอะไรเท่าไห ร, ร่นักหรอกอย่างเช่นคนที่กําลังโทสะหรือเครียดเกิดบ่อยๆมากๆเนี่ยนะซึ่งเขาไม่เห็นความต่างของกุศลเนี่ยนะเขามองว่าเป็นปกติของเขาเขาเป็นปกติแบบนั้นอยู่หลายๆสิปีเนี่ยนะเครียดจนถึงกับถามากๆเขาก็ต้องหาอยู่หายามากินช่วยๆนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าคนที่เจริญกุศลเขาจะเห็นตรงกันข้ามเลยว่าขณะนี้อกุศ ล, ลจิตกําลังปลุมรวมกําลังเล่นงานเนี่ยนะเขาจะเห็นความแตกต่างกันของ จิตที่เป็นกุศลกับอกุศลได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นวัตตะมีการไม่ใส่ใจโดยแยบคายเป็นมูลดังนี้มาก่อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากอยู่ในวัตตะยาวๆนี่ทำไงรู้ไหมวิธีง่ายที่สุดเนี่ยนะคิดอะไรก็ได้ที่มันตรงข้ามกับอริยสัจน่ะนั่นแหละคิดตรงข้ามกับอริยสัจทั้งหมดนั่นแหละคือถ้าอยากอยู่ในวัตตะนะคราวนั้นนี่ไม่อยาก หเห็นอะไรสุขไปหมดเห็นอะไรงามไปหมดเห็นอะไรเที่ยงไม่หมดเห็นอะไรเป็นอัตตาไปหมดเลยถ้าอย่างงี้อยู่ยาวแน่ไม่ต้องห่วงอะไม่ได้ไปไหนหรอกเนรยยอดอะโยนิโศเลยใช่ไหมครับ็นพรยอดเลยนะประโยคข้าวิบัติอาสยะวิบัติเลยนะเรียกว่าทิฏฐิวิบัติเพราะว่ายินดีที่จะเป็นแบบนั้นด้วยไม่เป็นการมองโลกในในทางในในทางลายมังเ ล, เลยครับอย่างนั้น อ, อ๋อไม่ไม่กลัวมองโลกในทางร้ายเลยแหละ<ม>การเจริญกุศลใช่ไหมครับ ก, ก็ผมเถียงถามคนมบางคนเขาอาจจะเถียงมผมก็มตัวแทนเนี้ยครับเส้นทาง<ม>คือเขาบอกว่าสุขในโลกเนี่ยนะ<ม>พระในในพระสูตรสูตรหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงเนี่ยนะพระองค์ตรัสว่าสุขในโลกทั่วไปเนี่ยนะการ ม, มาสุขท่านบอกเหมือนกับคนที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยนะคนที่เป็นโรคเรื้อนแล้วเป็นแผลแผลมันแตก แล้วมันก็คันเขาบอกขณะเมื่อไรที่เกาเนี่ยนะมันพลนนะ่ะมันสนุกอนะ่ะนั้นความสุขในตามทั่วไปก็ลักษณะนั้นแหละเพราะว่าอะไรพอถ้าเกาแรงนะเลือดมันออกอะ่ะมันเจ็บนะเนี่ยนะทังคนที่หมกมุ่นกับเรื่องบาปอากุศลมากๆที่เป็นไป ก, กับกามก็จะเป็นในลักษณะนั้นเนี่ยนะไอตอนที่เกาเนี่ยมันมันคันสนุกดีแต่ว่าเมื่อเลือดออกแล้วอะไรจะเกิดเนี่ยนะแผลติดตามนอนกับช้อนใช้ นะอกุศลอย่างอื่นเนี่ยติดตามมาอีกมากมายมหาศาลดังนั้นพระองค์นี้จึงตรัสการทั้งหลายเหมือนกับความฝันเห็นไหมแล้วก็เหมือนกับของที่ยืมเข้ามาเ่ยๆแต่ว่าคําแรกที่พระองค์ตรัสอุปมาเรื่องการเนี่ยเหมือนกับกวาร่างกระดูกประงั้นมีใครกินอิ่มหรอกครับวะแล้วก็เหมือนกับชิ้นเนื้อคําว่าชิ้นเนื้อก็คือเป็นที่ยื้อแย่งของสัตว์ทั้งหลาย สมมติว่านกตัวหนึ่งไปคาบชิ้นเนื้อก้อนโตมานะถ้ามันบินกําลังบินคาบไปในอีกชิ้นอีกตัวหนึ่งยังมาเฉียวเอาไปถ้าไม่เฉียวมันก็ซัดจนนุ่มนั่นแหละเสร็จแล้วมันก็ต้องคายเหยื่อนั้นออกไปแล้วตัวตัวอีกตัวหนึ่งก็บินมาโฉบเอาใหม่ตัวที่เหลือก็มารุมมาตัวนั้นอีกนะสรุปแล้วอยู่กับมือใครคนนั้นทุกข์ที่สุดเ <c oughs> นี่ยนะภาษาลิบุตรท่านท่านท่าน เปรียบไว้เพราะมากนะเรื่องทุกวัตถุกรรมนะฮะท่านบอกว่าเหมือนกับว่าโครงกระดูกใช่ไหมฮะรหรือว่าเหมือนกระดูกสุนนกอะมันแท้กระดูกอ่ะซึ่งไม่มีเนื้อเลยก็ ว, ว่ามันมันน้ําลายตัวเองครับมันมันน้ำลายตัวเองรู้สึกมันน่าเล่อร่อยความจริงไม่มีเนื้อเลยนะแต่มันมันสนุกก็บอกมันมันน้าลายตัวเองเจนพานใช่พลิ้วกัน แล้วก็คือที่เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะว่าเขามองเขามองแคบอ่ะนะสายตาเขามองสั้นอะ่ะเหมือนกับคนเล่นถลายลื่นอะ่ะสนุกสนกเนี่ยนะกำลังเพลินเนี่ยเขาไม่รู้ว่าข้างหน้ามันคืออะไรที่จริงนะคนที่เขาเสพยาเสพติดเนี่ยถ้าถ้าพูดสัมนวนทั่วไปเขามีความสุขนะคนที่ติดยาเสพติดจริงๆนะเวลาเขาได้เสพยาเสพติดชินนั่นนั่นตเนี่ยนะ มันสนุกมันเพลินอย่างบอกไม่ถูกเขาว่างี้ยมันสวรรค์ของเขาเลยแหละเพราะฉะนั้นเขาจะเขาจะยินดีในการซ่องเสพอันนั้นถามว่าถ้าเป็นลูกหลานเราเขามีความสุขแบบนั้นเราต้องการไหมอา้าลูกเขามีความสุขทําไมพ่อแม่ไปไปเดือดร้อนอะไรกับลูกน่าจะส่งเสริมใช่ไหมขายนาขายบ้านขายอะไรเพื่อจะไปซื้อยุกซื้อยาให้ลูกเสพยังมีความสุขอย่างนี้มากๆขึ้นอ่ะทําไมไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะ เพราะอะไรเพราะว่าหลังเบื้องหลังของไอความสุขอันนั้นมันมีโทษเนี่ย น, นะพระผู้มีพระภาคเวลาพระองค์แสดงโทษของตามมาสุขทั้งหลายก็ลักษณะนั้นแหละถามว่าพระองค์พระองค์นี้ขวางโลกหรือยังไงทําไมพระองค์ไม่อยากให้เรามีความสุขรหรืออย่างไรใช่ไหมพระองค์เนี่ยเล็งแน้ ว, ว่าความสุขแบบนี้มันมีโทษเบื้องหลังของความสุขอันเนี้ยโทษมากมายมหาศาลว่างั้นโทษของตามนี่มีมากมายยิ่งนักพระองค์ก็จึง ทรงแสดงอุปมาอุปไมเปรียบเทียบเนี่ยนะให้มองทั้งสั้นมองทั้งไกลมองชาตินี้ด้วยมองชาติหน้ามองชาติที่สามมองห ล, ลายสิบชาติด้วยแล้วเนี่ยพนระองค์พยายามให้มองเห็นนะไอ้ความสุขอันนี้มันระยะสั้นๆนนะมันไม่ค่อยดีแต่ถ้าหากว่าในสายตาของคนที่กําลังเพลิดเพ ล, นเพลินก็อย่างว่าเพราะฉะนั้นพระอริยะกับปุตติชนนั้นไกลกันแล้งนันนะของเรานี้เราสมาทานนับถือท่านกันแล้วกันเนาะ ออาพอเราพูดทางสารานังข้าฉามีใช่ไหมแล้วก็นับถือพระอรหันต์เรายินดีในรูปเสียงกลิ่นรสพระอรหันต์ท่านไม่ยินดีถึงเรายินดีเราก็นับถือผู้ไม่ยินดีสักวันหนึ่งเราก็ต้องไม่ยินดีเหมือนท่านนั่นแหละตั้งปณิธานเอาไว้นะคนที่ตั้งปณิธานเรียกว่าอภินิหารานะความปาถนานไม่ธรรมดานะเขาเรียกอภินิหารเพราะสามารถเป็นปัจจัยให้ประสบความสําเร็จ เพราะว่าคนที่จะทำถึงที่สุดแห่งทุกได้เพราะเขาตั้งความปรารถนาไว้แล้วเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าผู้ไม่ได้ตั้งความปรารถนาไว้ไปเจอพระพุทธเจ้าอาจจะตามด่าพระพุทธเจ้าก็ได้ <c oughs> เพราะไม่มีอภินิหารไม่ได้ทำบุญไว้ก่อนนะ <c oughs> ส่วนการใส่ใจโดยแย บ, บคลาย <c oughs> เมื่อเจริญขึ้นย่อมท ร, ร ม, มัชมีองแปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นข้อแรกให้บริบูรณ์เนี่ยนะถ้ามีโยนิโสสัมมาทิฏฐิจกบริบูรณ์ เหมือนกับที่พระ อ, องค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยการใส่ใจโดยแยบคายพึงหวังข้อนี้ได้คือเธอจักเจริญอริยมัติมีองค์แปดจักกระทำให้มากซึ่งอริยมัติมีองค์แปดในโยนิโสมนสิการะสัมปทาสูตรเนี่ยพระ อ, อ, องค์กล่าวไว้อย่างนั้นเโยนิโสมนสิการก็คือประเภทวิปัสสนาสัมมาทิฏฐินั่นเอง สมาธิฏิมีห้าอย่างนะคือหนึ่งกรรมสกตาสมาธิธฐิสองวิปัสนาสมาธิธฐิสชฌานสัมาธิธฐิสมัคสัมาธิธฐิห้าผลสัมมาธิธฐิอ่าแล้วก็และอีกอย่างหนึ่งก็คือปัจเจกขณะยานสัมมาธิธฐิเนี่ยนะในสมาธิธฐิเหล่านั้นเนี่ยนะโยนิโสก็คือประเภท วปัสสนานั่นเองหรือกรรมสการานั่นเองอผู้ที่มีกรรมสการาใส่ใจในกรรมสกตามากๆอย่างนั้นแหละเรียกว่าโยนิสมนัิการพอมองเห็นความเป็นไปของกรรมมากๆแล้วนะก็จะก็คือขนาดผลของบุญนะยังแก่เลยเนาะผลของบุญยังป่วยเลยผลของบุญยังตายเลยเพราะมีอะไรน่า ย, ยินดีม้างเมื่อกรรมสกตาสัำมาที่ทเกิดมากๆก็จะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายแล้วนะ จเจริญสำมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละน้อมไปเพื่อการปลดปล่อยจากในอุในอารมณ์ น, นั้นๆจากอุปาทานสี่เนี่ยนะคือไม่ตามยึดถืออารมณ์ น, นั้นโดยอุปาทานสี่แต่ว่าพื้นฐานการวินิจฉัยเรื่องว่าเห็นอย่างไรเป็นกามุปาทานก็ต้องต้องออกการมุปาทานคืออะไรก็คือถือโดยนิมิตนั่นแหละ ถือโดยสุภาพานิมิตนั่นแหละเรียกว่ากามุปาทานถ้าถือโดยปฏิฆานิมิตอันนั้นเป็นอะไรไม่เป็นอุปาทานสักอย่างเพราะไม่ยึดอตไม่ชอบอ่ะแต่ก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทานนะแต่ขณะที่โทสะเกิดนี่ไม่อุปาทานเนี่ยไม่ยึดสักอย่างแบอยาค ว, วางทิ้งเลยนะไม่เอาละ แต่เป็นปั จ, จัยแก่กามุปาทานหรือเป็นปั จ, จัยแก่ทิฏฐุปาทานยกตัวอย่างเมื่อสัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกโทสะเกิดใช่ไหมพื้นฐานจากอั ต, ตวาทุปาทานเนี่ยเริ่มคิดลนะเอ็น่าจะมีทางออกนะทิฏฐุปาทานจะเข้ามาแล้วพอมีทิฏฐิเข้าก็จะไปมีศีลพระตุปาทานปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกอ น, นันแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ปฏิบัตินั้นะ่ะ เป็นอุปาทานอุปาทานเนี่ยนะคือทิฏฐินี่ก็สำคัญนทิฏฐิอันนี้เนี่ยตรงกันข้ามนะมันมีมีสองอย่างใช่ไหมทิฏฐิสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิอย่าลืมนะทั้งทิฏฐิทั้งสองอย่างเนี่ยดิ่งทั้งคู่เลยถ้าหากว่าผู้ที่มิจฉาทิฏฐิมากก็ดิ่งไปสู่อบายคนที่สัมมาทิฏฐิมากๆก็ดิ่งไปสู่นิพพาน ผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมองเห็นอริยสัจเนี่ยนะแทงตลอดอริยสัจจะทำเนี่ยนะเป็นคนที่มั่นคงที่สุดไม่หวั่นไหวในพระธรรมไตรใครไปฉุดไม่ให้นับถือว่าทําไม่ได้ดิ่งเหมือนกันนั้นทั้งมิจฉาทิฐิกับสัมมาทิฐินั้นดิ่งเหมือนกันแต่ดิ่งคนละอย่างเพราะสัมมาทิฏฐิเนี่ยถือเอาตามความเป็นจริงมิจฉาทิฐิเนี่ยถือเอาตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐิแต่ทั้งคู่ดิ่งเหมือนกัน ทั้นคนที่สำมาทิฏฐิมากๆจนถึงกระโสดาปฏิมากเกิดขึ้นนะเป็นผู้ที่เป็นทิฏฐิสัมปันโนเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงความเห็นท่านไม่ได้ใครก็เปลี่ยนไม่ได้นะท้าสาก่าเนี่ยเหาะมาเขียวๆเลยว่างั้นแต่เปลี่ยนความคิดท่านไม่ได้อะเปลี่ยนความคิดของพระโสดาบันไม่ได้เมชฉาทิฐิก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าพันองค์ก็แก้ไม่ได้เพราะนั้นทิฐิเนี่ยเป็นตัวดิ่งมากะนะทั้งๆดีและไม่ดีสรุปและดิ่งทั้งคู่ แต่ว่าผลแตกต่างกันผลของมิจฉาทิฐิฝ้าวัตะผลของสัมมาทิฐิผลจากวัตะสัมมาทิฐิควรเจริญมิจฉาทิฐิควรละผลสัมมาทิฐิเมื่อบุคคลเจริญแล้วก็ละมิจฉาทิฐิอย่าลืมนะว่าถ้ามิจฉาทิฐิใครเจริญมากๆแล้วก็จะห่างจากสัมมาทิฐิเหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำว่าสัมมาทิฐิเนี่ยนะจให้แม่นอยู่หาคหนึ่ง กรรมมสกตาสัมมาทิฐิเนี่ยนะจให้แม่นเลยสองฌานสวิปัสนาสี่มรก 5. ผลหปัจเวกจำให้แม่นเลยแล้วอะไรคือกรรมมสกตานะถ้าใช้คำว่ากรรมปั๊บเนี่ยนะให้นึกถึงกรรมโดยนัยยะต่างๆเนี่ยนะกรรมโดยกิจโดยโอ่โดยกิจก่อนใช่กิจคืออะไรบ้างหนึ่ ง, งกิจคือกิจนำเกิดใช่ หน้าที่หนึ่งนำเกิดสองอุปถัมภ์สามเบียดเบียนสี่ตัดรอนหน้าที่ของเขาทำอย่างนั้นโดยการให้ผลเน่เมื่อกิจเขาเป็นอย่างนั้นบางอย่างให้ผลเป็นทิฏฐธรรมบางอย่างให้ผลเป็นอุปชะบางอย่างให้ผลเป็นอัปราปริยะเวทนิยกรรมแล้วโดยความสามารถของเขาอะไรให้ให้ผลก่อนครุกรรมจะให้ผลก่อนอาสันนกรรมจะให้ผลตามมาถ้าไม่มีครุกรรม ถ้าอาสัญกรรมไม่ให้ผลอาจินกรรมจะให้ผลถ้าอาจินกรรมไม่ให้ผลกระตัตาวาปะณกรรมจะให้ผลเั้นกรรมสก า, สมารสัมมาทิฏฐิอันนี้ต้องมั่นนีพื้นฐานต้องมั่นคงพอสมควรถ้ากรรมสก า, สมารสัมมาทิฏฐิดีมากๆวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดมากวิปัสนาสามมาทิฏฐิเกิดมากๆมัคคสัมมาธิฏฐิก็จะบริบูรณ์เนี่ยนะอันนี้มีโยนิโสเป็นเป็นมูลเนี่ยนะ เพราะพยายามที่จะเอาเรื่องกรรมมาคิดเยอะๆนี่ดีถามว่าเอ๊ะเดี๋ยวบางคนบอกเป็นวิสัยเป็นอจินไตไม่ควรคิดอย่างนี้หรือเปล่านะเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าอย่าไปคิดเลยอย่างเงี้ยเอาทําไมคิดแล้วพระองค์สอนมาทําอะไรเนาะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเช่นคิดเรื่องวิบากของกรรมอย่างยกตัวอย่างนะจักคูวิญญาณเนี่ยพระองค์ให้ปารภให้พิจารณาโดยเป็นผลของกรรมแต่ไม่ใช่ให้ไปนั่งซักไซลักษณะว่า เออเราทํากรรมมาเมื่อไรเนี่ยทําไมมันจึงให้ผลอย่างนี้ไปให้เวลาอื่นได้ไหมแต่ถ้าถ้าอย่างนี้อย่าไปคิดมันแต่อย่างนี้เปอร์เซ็นต์เพี้ยนก็สูงเหมือนกันแต่ถ้าคิดในลักษณะว่ากรรมจะให้ผลเพราะอาศัยปัจจัยกี่อย่างเนี่ยนะอ่ะจาจะขูวิญญาณจะให้ผลได้เนี่ยนะเป็นผลของกรรมเป็นผลของเจตนาในอดีตจกขูวิญญาณอันนี้จะเกิดขึ้นได้ซึ่งเป็นจิตที่เป็นผลของกรรมอาศัยตาดี มีรูปารมณ์มีแสงสว่างมีมนุิการจากครูวิญญาณก็เกิดกรรมอันนี้เนี่ยนะถ้าเป็นกรรมที่ทําในชาตินี้ก็เรียกว่าทิฏฐธรรมถ้าเป็นเหตุจากชาติที่แล้วเรียกว่าอุปชาวเวทนิยกรรมถ้าเป็นผลของกรรมในชาติที่สาเป็นต้นที่ทํำไ้แล้วเป็นอปราราปริยะเวทนิยกรรมผู้ที่ชี้ชัดละเอียดในเรื่องนี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่กฎเกณฑ์อันนี้เราพอเข้าใจ เพราะ้นเราก็อาศัยศรัทธาเพราะนั้นเขาจึงกรรมสการานี้อาศัยศรัทธาเข้าไาเนี่ยนะเข้ามาเอื้อมเพราะฉะนั้นในอัตถกถาส่วนใหญ่อธิบายกรรมมัสกาศรัทธามีศรัทธาในเรื่องกรรมและผลของกรรมยกตัวอย่างเนี่ยนะถ้าไม่มีศรัทธาอยากเชื่อไหมว่าไอ้จิตเห็นเนี่ยนะเป็นผลของกรรมเนี่ยออกมาเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังคําสอนมายังไงก็ไม่เชื่อตาอย่างสีอย่างจิตเห็นอย่าง้จิตเห็นเป็นผลของกรรมอ้าวก็ไม่ใช่ผลของตาไม่ใช่เหรออ่นะ จะให้เป็นผลของตาแต่ตาเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยจิตเห็นก็เป็นผลของสีใช่ไหมใช่สีเป็นอารัมมณปัจจัยจิตเห็นเป็นผลของแสงสว่างไม่ใช่เหรอเมื่อมีแสงทําให้เห็นจิตเห็นก็เป็นผลของแสงสว่างแต่เป็นปกตูปนิสยปัจจัยเอ้าก็เราตั้งใจเห็นอ่ะมันเลยเห็นนมานัสการก็เป็นอนันตระปัจจัยชาวนะก่อนก่ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่การเห็น แต่ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยประชุมพร้อมกรรมแนด่ดีเลยให้ผลทําทําไมจึงให้ผลถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยนะทําเหตุมาเหมือนกันหมดถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นผลของกรรมทุกคนจะต้องเห็นเหมือนกันหมดใช่ไหมท่านอธิบายว่าที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยจากคูวิญญาณเพราะเป็นผลของกรรมเนี่ยถ้าหากว่าไม่ใช่ผลของกรรมนะคนในโลกนี้จะเห็นเหมือนกันหมดเลยปรารตาจะเห็นสิ่งใดคนก็จะเห็นสิ่งนั้นเหมือนกันหมด แต่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผลของกรรมขณะนี้เนี่ยนะคนเห็นไม่เหมือนกันนะสัตว์คนในเมืองไทยเนี่ยนะหกสิบกว่าล้านคนเนี่ยนะจักรคูวิ ญ, ญญาณเกิดไม่เหมือนกันอย่างนั่งอยู่ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะจักรคูวิญญาณไม่ได้เป็ น, เ ป, นเป็นจักรคูวิญญาณชนิดเดียวกันเลยนะที่ให้ผลยกตัวอย่างนะยอมนั่งสมมุติว่ามองมาเห็นผู้การเนี่ยนะภาพเนี่ยคนละอย่างเลยนะอีกคนหนึ่งมองตรงอีกคนหนึ่งมองเฉียงเนาะมาเนี่ยมองข้างอย่างี้ มีสีแต่ว่าแตกต่างกันนะให้พลมาแตกต่างกันเพราะตำแหน่งของวัตถุอยู่แตกต่างกันเนี่ยนะแล้วก็แสงสว่างก็มาแตกต่างกันและกรรมที่ทำในอดีตก็แตกต่างกันทำต่างหรือไม่ต่างก็สังเกตดูนะพูดหนึ่งคำมาเนี่ยคิดไม่เหมือนกันเลยยกตัวอย่างฟ้าผ่าเนี่ยคิดเหมือนกันสักคนหรอกบางคนก็นึกถึงใครถูกฟาผ่าสักคนหนึ่งบางคนก็นึกถึงเสียงฟาผ่าบางคนก็ นึกถึงเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เคยตกใจเมื่อฟ้าผ่ า, ยยางไงไม่มีใครคิดเหมือนกันทักอย่าง mm. เพราะฉะนั้นทำกรรมมาที่วิจิตแตกต่างกันเมื่อเหตุวิจิตวิบากก็วิจิตขณะทํากรรมมาคล้ายคลึงกันไนหะยังรับไม่เหมือนกันเลยยกตัวอย่างเนละเราหันมาเห็นผู้การกันหมดนะแต่เห็นไม่เหมือนกันทักไม่ตำแหน่งภาพที่เห็นไม่เท่ากันหมดเลยเนี mm. ่ยนะเฉั้นจากครูวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นรับไม่ ไม่สม่ำเสมอกันบางคนนี่เห็นแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมเพราะอีกคนนั่งบังไว้แสดงว่าโอ้โหกรรมวิจิตจริงๆเนี่ยนะถา้าตรึกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะถามว่าตรึกแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดว่าโอ้ทุกทั้งหมดมีกรรมเป็นตัดใจจัจกคูวิถ้าตรึกแบบนี้บ่อยๆก็จะเห็นว่าสังวิ ญ, ญญาณอันนี้มีสังขารเป็นตัจจยัยในทวิยตานุปัสสนาสูตรเนี่ยนะท่านบอกว่าบอกว่าทุกทั้งหมดมีสังขารเป็นตัดใ จ, จ สังขารก็คือกรรมนั่นแหละวัตทุก์มีกรรมเป็นปัจจัยแสดงว่าที่พอเห็นหลังจากการเห็นไปแล้วเนี่ยนะเป็นภาษาเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาหรือความนึกคิดทั้งที่เป็นบุญเป็นบาป ท, ทั้งหลายแหล่นั่นนะ่ะนั่นคือกรรมใหม่เมื่อทํากรรมใหม่ถามว่าที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ไหนใช่ไหมเออจะต้องมีผลลักษณะนี้นะที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อใส่ใจในลักษณะนี้มากๆ วิปัสนาสัมมาทิฏฐิก็จะเริ่มเกิดขึ้นว่าต้องใคร่ครวนถึงกรรมและผลของกรรมโดยความไม่เที่ยงนะผลของกรรมก็ไม่เที่ยงตัวกรรมก็ไม่เที่ยงที่ไม่เที่ยงเพราะว่ากรรมก็ได้ปัจจัยอ่ะจึงเป็นกรรมผลของกรรมเข้าได้ปัจจัยอ่ะผลของกรรมจึงมีใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้บ่อยๆมากๆจนถอนอุปาทานในอารมณ์นั้นๆได้ถ้าถอนอุปาทานได้เมื่อตัณหาดับอุปาทานก็ดับเมื่ออุปาทานดับความเป็นกรรมอันนั้นก็ เมื่อความเป็นกรรมดับแล้วปฏิสนธิมีไหมไม่มีเมื่อปฏิสนธิไม่มีชาติชราพยาธิมรณะโสกปริเทวทุกขโทมานัตและอุปายาตจะมีไหมมันก็ไม่มีใช่ไหมเมื่อเห็นกรรมและผลของกรรมดีๆก็ใคร่ครวญเออผลของกรรมก็เกิดจากปัจจัยไม่มีสาระเลยไม่เที่ยงตามเห็นอันนั้นเนี่ยเป็นอัธยาศัยเรียกว่าอนุปัสนานะตามเห็นอันนั้นเป็นอัธยาศัยเลยนะเขาว่าเห็นเป็นปกติว่างั้นเถอะเรียกว่าอนุปัสนา ตามเห็นโดยความไม่ของไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นของเที่ยงตามเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นสุขตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นโดยความเป็นอัตตาตามเห็นโดยความน่าเบื่อหน่ายไม่ใช่ยินดีตามเห็นเพื่อคลายกำหนัดไม่ใช่ยึดถือตามเห็นโดยความดับไม่ใช่เห็นความเกิดตามเห็นเพื่อการสลัดคืนไม่ใช่ถือมั่นเนี่ยนะก็จะตามเห็นอันนี้พอกพูนจนถึงกับทำงายจะคลายจากอุปาทาทาน คลายจากอุปาทานทั้งสีในอารมณ์นั้นนั้นได้ก็เรียกว่าเป็นยอดของโยนิโสมนัสิการนีครับที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องโยตามเนี่ยไม่โยตามนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงละจะมีใครทักทายไว้ไม่องคิดทั้งนั้นนะครับถ้าไม่ได้เห็นธรรมะตัวจริงเลยอ้าว ก็ของของมาเนี่ยไม่ใช่อรูปประโเออไม่ใช่ไม่ใช่อสัญญาสัตตาพรมนี่นะเพราะไม่ใช่อสัญญสัตตามันก็ต้องมีจิตอยู่แล้วใช่ไหมเกิดเป็นอสัญญสัตตาเมื่อไหรน่นี่จะไม่คิดเลยนะอยู่นิ่งๆเฉยๆห้าร้อย ม, มาหากรับเลยผมที่ท่านแสดงมาไพเราะจริงๆนะครับผมก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเรื่องนั้นนะฮะท่านแสดงมาไพเราะมากครับไม่ทาาาราบว่าคนอื่นจะไพเราะไหมนะฮะ เป็นขั้นเป็นตอนนะเป็นเรื่องเป็นรามาเนี่ยนะผมอาจจะต้องเอามาฟังอีกทีหนึ่งนะขอขอมูลได้ไหมหมอนะเอาไปฟังในรถฟังสองคำเที่ยวขาฟังยากนะครับผมบอกผมไม่เรียนตามตรงนะครับท่านฟังเท่านี้ไม่พอต้องเอาไปฟังใหม่ฟังซ้ําๆครับแล้วเพ่งเพ่งตามือว่าทนทนต่อการเพ่งไหมทนต่อการเพ่งแล้วก็ต้องทนเพ่งด้วยต้องทนเพ่งด้วยนะครับ <laughs> ต้องขยันเพ่งนะครับ สูตคุณโมเขว่างั้นต้องทนต่อการเพ่งหนึ่งอัน น, นเขาบอกว่าถ้าของจริงจะทนต่อการเพ่งแต่สําคัญว่าของนั้นจะทนหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าคนเพ่งเนี่ยทนหรือเปล่า <c oughs> สูตคุณโจมก็พูดดีนะ <c oughs> พา ะ, ะโยนิโสมนาสิกานี่มีความสําคัญค่อนข้างมากถ้าหากว่าโยนิโสมนาสิการเกิดมากๆโยนิโสเป็นอาหารของอะไร โยนิโสเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะนะถ้าเริ่มใส่ใจบ่อยๆเนี่ยนะสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดจะเริ่มเกิดแล้วฐานะเจ็ดคือรายหนึ่งก้าวไปและถอยกลับหนึ่งนะจะไปจะมานะย่อๆหน่อยจะไปจะมาก็มีสัมปชัญญะสี่สองจะแลเหลียวหันซ้ายหันขวาเนี่ยนะเป็นยังไงหันซ้ายหันขวาโดยศาสกาะสัมปชัญญะ ก็ศาทธกะคืออะไรคือประโยชน์ประโยชน์ก็คือถ้าคนจะถามง่ายๆมองทําไมนั่นแหละถ้าตอบตามคําสอนได้นั่นแหละเรียกว่าคนมีศาทธกะสัมปชัญญะแล้ในขณะที่แหลเหลียวนะถามว่ามองทําไมเนี่ยนะคือคือไม่ใช่มองพูดอย่างนี้เพื่อหาเรื่องนะผมกลยอย่างกันนะฟังไม่ดีบอกเอ๊ะหาเรื่องหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะตรงกันข้ามเลยที่มองทําไมเนี่ยหมายคำว่าจะได้คํานึงถึงประโยชน์ของการมองให้มากที่สุด ถ้าสามารถมองแล้วนึกถึงคำสอนได้นั่นแหละเรียกว่ามีสาทธากสัมปชัญญะทีนี้ในอารมณ์นั้นนนั้นสปายะไหมคำว่าสปายะนี่แปลว่าสบายคำว่าสบายเนี่ยเกื้อกูลต่อโคจรสัมปชัญญะและอะสัมโมหสัมปชัญญะนั่นแหละอะไระการมองอะไรก็ตามเมื่อมองแล้วนะเกื้อกูลต่อการเจริญ สาธกสัมเจริญโคจรสัมปชัญญะกับอสัมโมหสัมปชัญญะนั่นแหละเรียกว่าสัปายะคือโคจรสัมปชัญญะคือสมถะอาัมโมหะสัมปชัญญะเป็นวิปัสนาเพราะนั้นถ้าสปายะได้โคจรสัมปชัญญะกับสาธกะสัมปชัญญะจะได้นะถ้าได้สัมปชัญญะเหล่านี <hors tutaj> Ó, os, ้นะขณะแลเหลียวนี้ก็สบายแล้วนะแลเหลียวโดยอาศัมโมหสัมปชัญญะเป็นอย่างไร เป็นยังไงกันอ<ม>แสดงว่าบรรยายไว้เมื่อปีที่แล้วนะ<ม>ก็บอกว่าแลเหลียวด้วยอะสัมโมหะสัมปัญญาเป็นอย่างไรเ อ, มมเอาตอบแบบแบบมีสูตรหน่อยนะยกยกมือขึ้นแสดงความสามารถตะกอนนึ่งท่านจะ่พึ่งเฉนเลยนะผมเอาว่ามาทีละคนครับอะสัมโมหะนะอสัมโมหะสัมปัญญะขาดแลเหลียว เป็นวิปัสสนาอย่างไรเอา้เอาเป็นวิปัสสนาอย่างไรเอาตอบแบบมิสูดเลยนะห้ามเดาห้ามกะคำสอนพุทธเจ้ากะไม่ได้บ้างไงนะนะถ้าหากว่าจำได้นะว่าเอกสารที่แจกไปเมื่อวันจะปิดเรียนอะวันที่จะกลับวัดเมื่อปีที่แล้วอะนั่นแะแสดงว่าไม่เคยไปดูให้ละมาเลยสายบุญไม่มีผลมากะนะ นึกแล้วไม่ค่อยสมมานั้มีใครไปดูให้เลย อ, อันน่นแหละนะเธอแลเหลียวเนี่ยนะยังไงเขาบอกว่าเวลาจะแลเหลียวเนี่ยก็พูดถึงเปลือกตาบนเปลือกตาล่างใช่ไหมมีใครมางัดให้เปลือกตาบนขึ้นไหมมีใครมาดึงลงไหมไม่มีเพราะเป็นจิตชาจิตชรูปนะจิตชาวาโอก็แผ่เพื่อที่จะทําให้ลืมตาขึ้นอนะแล้วกลิง้ง ไปข้างใต้ข้างขวาเนี่ยนะด้วยอำนาจจิตตะชาวายแล้วจากขู่ระสาธาเนี่ยนะซึ่งเป็นความใสของมหาภูตรูปซึ่งสามารถรับภาพได้นะตากับสีก็เกิดขึ้นอันนั้นคือสีมีอยู่แล้วใช่ั้ยตาสีมีมนสิการจิตเห็นก็เกิดขึ้นเสร็จแล้วมีความรู้เรื่องขันธาอายตนะปัจใจ เป็นอย่างดีเรียกว่าอสัมโมหะสัมปัญญะอันนี้เป็นสติปัฏฐานเนี่ยนะถ้าไม่เพ่งไปตามนี้ไม่รู้จะสติปัฏฐานข้อไหนเนี่ยนะเพราะว่าในอัตกถาสามัญญพลสูตรกับอัตถกมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรท่านอ้างสามัญญพลสูตรในทีขนิกายทีขนิกายนี้ไม่ไม่อธิบายเพราะว่าในอัตกถาสามัญญผลสูตรอธิบายแล้ว เสร็จแล้วใน อ, อสติปทานสูตรในมัชฌิมนิกายอธิบายไว้อย่างนั้นนะว่าการใส่ใจโดยความเป็นขันอายตนะธาตุปัจใจพวกนี้แหละเรียกว่าอสัมโมหสัมปชัญญะเรียกว่าสติปทานเนี่ยนะอันสติปทานเนี่ยนะซึ่งพื้นฐานมีอะไรเป็นอาหารสุจิริษสามเป็นอาหารสุจริตสามมีอะไรเป็นอาหารอินทรีสังวร อ, อินทรีสังวรมี สติสัมปชัญญะเพราะเมื่อกี้เนี่ยนะสติสัมปชัญญะดีแล้วเนี่ยะจะทําให้การเห็นเนี่ยอย่างดีเพราะอะไรเพราะจะไม่เห็นโดยทุจริตสาคือในในห น, หนึ่งอารมณ์เนี่ยนะถ้าหากว่าพื้นฐานในการสังวรไม่ดีเพียงพอเนี่ยเห็นปั๊บเป็นปัจจัยให้กา ย, ยทุจริตมาได้เลยทันทีเห็นปั๊บเป็นปัจจัยให้วจีทุจริตได้มาทันทีเลยเห็นปั๊บเป็นปัจจัยให้มโนทุจริตเกิดขึ้นถ้าพื้นฐาน ทุจริตสมเนี่ยนะมากหรือทุจริตสาเกิดขึ้นในอารมณ์ใดไม่สามารถที่จะใส่ใจในคําสอนในอารมณ์นั้นได้เพราะว่าการเจริญวิปัสสนาก็คือการใส่ใจตามคําสอนอยู่นั่นแหละเพราะเป็นปัญญาศึกษาปัญญาศิกขาถามว่าการศึกษาอันนี้เนี่ยนะเราค้นคิดได้เองได้ไหมไม่ได้เพราะต้องเป็นไปตามคําสอนอย่าลืมว่าในขณะที่ทําความเข้าใจตามคําสอนเรียกว่า สุตตะพุทธะของเราเป็นได้สุตตะพุทธะนะผู้ที่เป็นพระโสดาบันเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่าสาว ก, กพุทธะเพราะฉะนั้นของพวกเราเนี่ยสุตตะอย่างเดียวถ้าไม่ติึกตามสุตตะเอาจินตะไหมถ้าจินตะเนี่ยนะถ้าหากว่าตามวิสุทธิมัติที่ท่านอ้างวิพังน ะ, ะในวิสุทธิมัติเรื่องสุตตะมยาญาณจินตะมยายาญาณและก็ภาวนามยายาญาณเนี่ยนะท่านอ้างวิพังแล้วในวิพังท่านกล่าวว่าจินตะมยายาญาณเนี่ยนะ กินตามยะปัญญาเนี่ยเ ก, เกิดของพระโ พ, พธิสัตว์สองประเภทกินตามยะเนี่ยเป็นของพระโพธิสัตว์สองประเภทคือพระประเจกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าลืมว่าสุตตะเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ที่ฟังไม่ดีเนี่ยจะรู้ว่าสุตตะเนี่ยหมายให้ข้าเขาสุตตะน้อยไปสุตตะอย่าลืมว่าปัญญาที่ทรงจํำทำที่ได้ฟังมาแลว้วสิบหกอย่างด้วยกันรู้สิบหกอย่างนะจึงเรียกว่าระดับสุตตะจริงๆ แต่ถ้าไม่ได้อันนั้นเลยเขาเรียกว่าผ่านหูไม่แด้ว่าสุตตะอะไรรเปล่าลอัอนอไหนสิบหกอย่างก็คือหนึ่งนะสุตสิบหกอย่างคือว่าธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งเนี่ยนะนี้ธรรมะที่ควรรู้ยิ่งข้อหนึ่งนะข้อสองธรรมะเหล่านี้ควรปริญญาควรควรรอบรู้ข้อสามธรรมะเหล่านี้ควรละ ข้อสี่ธรรมะเหล่านี้ควรทำให้แจ้งข้อห้าธรรมะเหล่านี้ควรจเจริญห้าข้อเลยนะทีนี้ต่อไปว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขารานิจาร์ข้อต่อไปสัพเพสังขาราทุกขาต่อไปก็สัพเพธรรมะอนัตตาต่อไปอี ก, ก, าา น, ออกนี้หีนะ เ, เรียกว่าหีนภาคิยะธรรมะที่เป็นส่วนเหานะ ฐานะคือธรรมะที่เป็นส่วนแห่งความเสื่อมนี้เป็นธรรมะที่เป็นส่วนแห่งความตั้งอยู่ทิติภาคยะนี้เป็นธรรมะที่เป็นส่วนแห่งคุ ณ, ณพิเศษมากขึ้นวิเศษสภาวคยะและก็นี้นิเพทภ า, าคยะส่วนแห่งการชำระ ก, กิเลสและเท่าไหร่ละอีกทางทุกขาริยาสัจจังนี้ทุกขาริยาสัจอีกทางทุกขสมุทยโยอริยาสัจจังนี้ทุกข สมุทัยอริยสัตว์นี้ทุกข์นีโรธอริยสัต์นี้ทุกข์นีโร ธ, โรธาคามินีปฏิปทาอริยสัตว์ได้เท่าไหร่ละครบไหมไนะีทีแรกชุดแรก5ใช่ไหมชุดแรกห้าไตรลักษณ์สามเป็น8ดทิติไหส่วนแห่งเสื่อมตั้งอยู่วิเศษชั้นแรกกิเลสอีกสเป็นสิบสองอริยสัตว์อีกสี่เป็นสิบหก เนี่ยนะสามารถทรงจําเหล่านี้ได้ทั้งหมดเนี่ยนะแล้วจําแนกเลยว่าอะไรควรรู้ยิ่งอ่ <c oughs> ก็บอกว่าทำหนึ่งควรรู้ยิ่งทำสองทำสามทำสี่ทำห้าจนถึงธรรมะ10ควรรู้ยิ่งแล้วก็บอกว่าจากักขูควรรู้ยิ่งสีควรรู้ยิ่งจกักขูวิญญาณควรรู้ยิ่งจกักขูสัมผัสควรรู้ยิ่งจักขูสัมผัสชาเวทนาทั้งที่เป็นสุขก็าตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ตามควรรู้ยิ่งแล้วก็ไล่ครบทั้งทวาร6 แล้วก็รูปควรรู้ยิ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณควรรู้ยิ่งไล่ไปเรื่อยนะธรรมะเป็นพันเป็นหมื่นบทนั่นแหละควรรู้ยิ่งนั่นเป็นสุตตมยัญนะว่าปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วว่าธรรมะทั้งหมดเหล่านี้ควรรู้ยิ่งแล้วก็ขึ้นหัวข้อใหม่ธรรมะทั้งหมดเหล่านี้ควรกำนัรู้ธรรมะที่ควรกำนัรู้ทำหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยนะ แล้วก็มาจําแนกรายละเอียดอีกธรรมะเหล่านี้ควรละเนี่ยนะทำหนึ่งควรละทำสองทำสามทำสี่ธรรมะทำหกทำเจ็ดทำแปดทำเก้าทำส10ควรละธรรมะเหล่านี้ควรเจริญเนี่ยก็มาแบ่งประเภทธรรมะเหล่านี้ควรทําให้แจ้งก็มาแบ่งประเภทอีกครั้งหนึงเนี่ยนะแล้วก็สัพเพสังขาราอนิจจามเป็นยังไงสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมานาตาเป็นอย่างไรก็มาขยายรายละเอียดอีกครั้งนึงสิ่งเหล่านี้เป็นสุตตะมัยญาณนะชั้นที่สุดว่า ปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วว่านี้ทุกขาริยสัตว์นี้ทุกขสมุทัยอริยสัตวนี้ทุกขนิโรธอริยสัตว์นี้ทุกขานิโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัตว์อย่างที่ผู้การกล่าวเมื่อกี้ว่ายกข้อความที่ว่าเมตตาเนี่ยนะเอ่อไม่ใช่ปัญญาเหมือนกับตาสัมมาสังกปปะเหมือนกับมือนะบอกว่ามือก็พลิกตาก็ดูไปอ่านะ ถามว่าอุปมามาจากไหนอุปมามจากมาจาก ส, er สุตตมยญาณข้อสุดท้ายว่าธรรมะเหล่านี้ควรธรรมะเหล่านี้คือมรรคาริยสัตเนี่ยนะนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจแล้วท่านก็จําแนกว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติและก็สัมมาสมาธิ ท่า น, นก็บอกว่าส ม, มาทิที่มีกี่อย่างท่านก็ขยายวันนี้ทุกนี้ทุกขส ม, มุทัยนี้ทุกขเนรโรธนี้ทุกขเนรโรธคาม่มีปฏิปทาแล้วท่านก็มาที่บายสรุปสงเคราะห์และท่านก็อุ ป, ปมาอุปไมยนะยกข้อความที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยผลสิ่งเหล่านี้เป็นสุตตะไมยญาณทั้งนั้นเลยเป็นสุตตพุทธจนกว่าจะได้สาวกพุทธเพราะฉะนั้นอย่ารังเกียจการคิดเลยแต่กางมวิตกไม่เห็นรังเกียจเลยเนาะ คิดอยู่ได้ทั้งวันแต่ไม่ค่อยรังเกียจนะแต่คิดทำมากนี่มันยังมันคิดมันนึกโอ้โหาถ้อยคํามาทิ่มแทงกันน่าสงสารเ่ยนะแต่กรมวิตกคิดไม่เป็นไรไม่มีใครรู้สึกตําหนิกันเลยนะ อ, อแปลกนะอกุศลวิตกเนี่ยส่งเสริมไม่เป็นไรอัธยาศัยแบบนั้นส่งเสริมหน่าดูเลยแต่กุศลวิตกมาวิจารณกันแหลกเลยนั้นสังเกตว่าเออทำมังสารนังข้าฉามีเราอ่อนมากว่าอะไรเป็นไปกับคําสอนไม่เป็นกับคําสอนเนี่ยวิจารณาญาณเราค่อนข้างอ่อน เพรอย่างไรก็ตามกามาวจรจิตก็เป็นมหากุศลมหากุศลเนี่ยจิตเป็นประธานอยู่แล้วทําไมอภิธรรมไม่ขึ้นเจตสิกขึ้นมาเลยถ้าใครอ่านอภิธรรมปิดอกเนี่ยจะรู้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ๆขึ้นเจตสิกมานะกามาวจรังกุสลังจิตตังอุปนังโหติโสมนะสสคตังรูปารมณังวาสัทธารมณังวาจนถึงธรรมารมณังวายังยังวาปนารัพตสมิงสัมเยภัโศโหติเวทนาโหติสัญญาโหติเจตนาโหติว่าแสดงไปตามเนี่ย ยกจิตขึ้นมาเป็นประธานก่อนไม่ได้ยกเยตสิกขึ้นมาเลย น, น, นะนะไม่ได้ยกปัญญาเนี่ยไปแสดงไว้ท้ายๆนั่นเนีย่ยนะนั้นอาการเจริญกุศลธรรมนั่นนะ่ะถ้าเราเจริญหรือว่าการศึกษาแบบทำมังสารนาังข้าฉามินะสาระนะหรือคําสอนเราแสดงอย่างไรเราควรกล่าวตามเท่านั้นแหละก็คิดดูนะขนาดภาษาดิบุตรท่านยังยังไปถามพระพุทธเจ้าเอ้ข้าพระองค์กล่าวตามพระองค์ ห, หรือท่านยังเกรงยังกลัวจะพูดผิดจากคําสอนของพระผู้มีพระภาค แล้วของเราเนะีเมื่อเทียบกับภาษาริบุตรนี่ยนะเขาบอกว่าปัญญาของพระพระโมคขลานะอย่างไรก็ไม่รู้ว่าพภาษาริบุตรเป็นอย่างไรปัญญาของภาษาโลกทั่วไปจะไม่รู้เลยนะว่าพระโมคขลานะท่านมีความรู้อย่างไรพระอรหรันตุขาวิปัสสกจะไม่รู้เลยว่าพระปฏิสัมพิทาท่านแต่ฉันยังไงพระอนาคามียังไงก็จะไม่รู้พระอรหันตุขาวิปัสสกว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านเป็นยังไงเนี่ยนะจิตของท่านเป็นยังไง แล้วพระสกทาคามีก็ไม่รู้จิตของพระนาคามีพระโสสกทาคามีก็ไม่รู้จิตของพระนาคามีพระโสดาบันก็ไม่รู้จักจิตของพระสกทาคามีปุตุชนผู้ได้วิปัสสนาอย่างไงก็ยังไม่รู้จิตของพระโสดาบันแล้วจิตของปุตุชนที่จาคําสอนไม่ได้อย่างไงก็ห่างกันเยอะเหลือเกินขณะดภาษาริบุตรยังไปเทียบเคียงกับคําสอนเลยแล้วแล้วเราเป็นเป็นใครเพราะฉะนั้นพยายามที่จะทรงจําแล้วก็คิดตามนั้นให้ ทำยังไงที่จะเข้าใจคำสอนของท่านให้ถูกต้องแหละภาระของเรามีเท่านั้นแหละเสร็จแล้วก็คิดตามท่านอย่างเดียวถ้าเราไม่คิดตามท่านนะก็แสดงว่าเรามีความสามารถแล้วเราไม่ไม่ปฏิ ญ, ญาณในฐานะเป็นสาวกและถ้าเราไม่คิดตามท่านนะถ้าเราไม่คิดตามท่านไม่พิจารณาตามท่านนะตับปรายนะเนี่ยนะมีท่านเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็ก็หมดใช่ไหมสิสภาวูปคัมมะนะขอเป็นสิทธท่านก็ไม่มีแล้ว อตตะสันิยาตะนะมอบกายถวายชีวิตแต่คําสอนก็ก็ไม่มีเนี่ยนะปณิปาตะไปที่ไหนเพื่อที่จะนอบน้อมท่านก็อ่อนไปเพราะฉนนั้สาระเราก็อ่อนถ้าสารณะอ่อนเป็นต้นสิกขาก็อ่อนสิกขาอ่อนนะก็ยาวันกีายาวันกี ย, กยเมพิคเวว ง, งนันดูความพิสูจน์ทั้งหลายโมฆะบุรุษเหล่านั้นห่างไกลเพียงไราจากธรรมวินัยนี้ว่างันห่างไกลเป็นพันโยชต์เลยแหละเพราะนั้น ตอนนี้ก็เจริญกรุณาให้ตัวเองเงยอะๆหน่อยนะข้าพเจ้าอยาได้เป็นอย่างนั้นอย่าได้ห่างจากคําสอนเนี่ยพอใจแล้วนะพุทธาศาสนายัางไงก็เสื่อมนะ <c oughs> ดวงอาทิตย์เนี่ยนะกลางวันกลางวันนี่ร้อนไหม <c oughs> ร้อนนะหมดแล้วป่านนี้พุทธศาสนาถึงจะเจริญรุง่งเรืองขนาดไหนเดี๋ยวก็หมดแล้วทัานขอเราอย่าพึ่งหมดจากคําสอนเนี่ยนะนี่คือประโยชน์ของเราที่เราจะได้เพราะว่าพระพุทธพสูตรเป็นต้นเนี่ยก็คือผลประโยชน์ประโยช น, ยชน์ทั้งโลกนี้ประโยชน์ทั้งโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่ง นะเราได้ทักประโยชน์หรือยังวันนี้นะครับ <c oughs> ธรรมะผู้ที่จะแสดงได้อย่างนี้นะครับคงจะเป็นชาติสุดท้ายของท่านทั้งหลายนะครับที่จะได้ฟังเพราะชาติต่ อ, ต อ, ตอไปนะเสื่อมแน่ครับศาสนานะครับหารับฟังยาก น, ะนี่ท่านอาจารย์อาจารย์บุตรวงศ์ก็ได้พูดไว้อย่างนั้นนะครับ ก็อยากกว่ายากนะแต่ว่าก็ก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากฟังอะน่าฟังอะครับ